อัญชนกชนนีนิรักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้โดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนสิ่งที่มีอำนาจสามารถทำให้ทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจและสมบัติทั้งปวงที่มีลงไปโดยไม่คิดอ่านและอะไรเสดายนั้นคือความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตรดาเพราะเป็นเลือดในหัวอกของตนแท้ซึ่งควรเรียกได้ว่าเป็นผู้คอยรับบาปกรรมจากบุตรดาอย่างสนิทใจ ไม่มีทางหลีกเลี่ยงการเลี้ยงดูทุกอย่างก็ทําด้วยความรักความสงสารอย่างสุดกิจสุดใจไม่ว่าบิดามารดา น, านั้นจะเป็นชาติชั้นวรณะใดและตกอยู่ในฐานะมั่งมีหรือยากจนเพียงไรส่วนความรักบุตรธิดานั้นไม่มีจนและลดลงตามฐานะเลยแต่เป็นความรักที่มีสมบูรณ์และล้นฝั่งแห่งใจอยู่เสมอยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรซึ่งมีเวลาขึ้นลงตามเวลาของมัน ความรักก็มากการเลี้ยงดูก็ยากการบริการทุกด้านก็ยากความพยายามที่จะให้บุตรธิดาเป็นคนดีในปัจจุบันและอนาคตก็ยากไม่มีคำว่าง่ายแฝงอยู่บ้างเลยทุกๆอิรยาบทไม่ปรากฏว่าได้ลดหย่อนผ่อนคลายความรักความห่วงใยในบุตรธิดาลงบ้างเลยแม้จะเรียกว่านารกแห่งความรักความห่วงใยก็ไม่ควรจะผิดเพราะผู้เป็นบิดามาดาของบุตรธิดาต้องตกนรก หลุมรักหลุมห่วงใหนี้ด้วยกันแทบทุกคนบุตรธิดาทั้งหลายผู้มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดและเลี้ยงดูจึงควรสานึกตัวอย่างยิ่งจะได้เห็นความสำคัญของชีวิตอัตภาพร่างกายและความผิดถูกชั่วดีของตนเพื่อมีความทะนงตนในความเป็นอิสระของชีวิตและความประพฤติที่เข้าใจว่าปราศจากหลักประกันคือบิดามารดาก็จะมีทางแก้ไขให้ลดลง และกลับเห็นบุญเห็นคุณของท่านที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาแต่วันอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์ไม่ลืมตัวจนกลายเป็นคนตีเสมอเย่อหยิ่งต่อบิดามารดาผู้พลีชีพเพื่อบุตรทิดาตลอดมาด้วยความรักอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีพิษภัยแฝงอยู่ในความรักนั้นๆเลยบุตรทิดาจะไปหาความรักความสงสารอันมีคุณค่ายิ่งจากใครและที่ไหนได้อีกนอกจากบิดามารดาแล้วไม่มีท่านผู้ใดจะสามารถหยิบยกให้เราได้ ดังนั้นบุคคลที่หาได้ยากในโลกจึงควรจะได้แก่บิดามารดาผู้ให้กําเนิดและเลี้ยงดูบุตรที่าเท่านั้นเป็นอันดับแรกการสนองตอบรับท่านด้วยคุณค่าอันสูงสมเกียรติจึงไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าความรู้สํานึกในพระพุนการยอมรับคําตักเตือนสั่งสอนด้วยความเต็มใจและปฏิบัติตามไม่ฝ่าฝืนยึดถือท่านเป็นเส้นชีวิตและทางดําเนินโดยชอบธรรมภาระหนักเรายอมรับแม้ท่านห้ามในขณะทําผิดเรายอมจานน ปฏิบัติตนต่อท่านพระหนึ่งภากิริวหรือที่เช็ดเท้าฉะนั้นถ้าจะให้ถูกตามหลักความจริงแล้วควรจะพูดว่าไม่มีใครจะรบรวนกวนใจบิดามารดาด้วยเรื่องและสิ่งต่างๆไม่มีเวลาจบสิ้นยิ่งกว่าบุตรธิดาซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันแสนรักและสมวนของท่านแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นการรบกวนพอที่จะให้เกิดการคิดนึกในแง่ร้ายต่อบุตรธิดาของตน เพราะความรักความสงสารอันท่วมทนมาลบล้างโดยสิ้นเชิงตลอดมาจึงแม้แสนจะลำบากและฝืดเคืองก็จำต้องรับโดยทั่วกันฉะนั้นบุตรธิดาคนใดที่มองข้ามแดนกำเนิดคือบิดามารดาผู้มีคุณอันรุนพนไม่นำพาต่อความเคารพยิมเกรงไม่นำพาต่อการอบรมสั่งสอนไม่นำพาต่อการสนองตอบแทนบุญคุณเท่าที่ควรแก่ฐานะไม่นำพาต่อการเทิดทูนว่า เป็นผู้สูงสุดด้วยความเมตตาและการเสียสละทุกอย่างเพื่อตนตลอดมาทําความเมินเฉยประหนึ่งตนเกิดจากโพรงไม้ไรบิดามารดาผู้ประคับประคองเยี่ย ม, มนุษย์ทั้งหลายบุทธิดาคนนั้นจัดว่าสร้างคําลบล้างคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์โดยชอบของตนให้ย่อยยับไปไม่มีคุณเท่าที่คนเรียกว่าลูกผู้สมบูรณ์แบบเหลืออยู่เลยเพราะประเพณีของมนุษยธรรมทั่ ว, วไปผู้เป็นบุทธิดาควรจะทราบและระลึก ถึงความสําคัญของท่านตลอดอวสานในธรรมท่านสอนไว้ว่าควรอุปธรรมบํารุงบิดามารดาให้มีความผราสุกเย็นใจเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้ก็เพื่อเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับบุตรธิดาจะพึงทําการสนองตอบท่านก็การอุปธรรมบํารุงนั้นมีหลายประเภทและหลายวิธีด้วยกันเช่นการให้สมบัติเงินทองข้าวนา้ําอาหารคาห ว, วานเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าให้การอุปธรรมบํารุง การพยาบาลรักษาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกขหรือประคับประคองท่านในเวลาแก่ชรายืนเดินนั่งนอนหรือไปมาไม่สะดวกก็เรียกว่าการอุปถัมบำรุงการรักษาน้ําใจไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนบอบช้าจากการแสดงออกของบุตธิดาก็เรียกว่าการอุปถัมบำรุงแต่ละอย่างละอย่างการบำรุงด้วยวัตถุหรือด้วยมัน ญ, ญาติอธัธยาศัยไม่ฝ่าฝืนดื้อดึงเรียกว่าการอุปถัมบำรุงทั้งนั้น ตลอดการช่วยเตือนด้วยอุบายต่างๆในทางที่ชอบหรือปลอบโยนให้รื่นเริงใจในเวลาที่ท่านเกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจในบางเวลาเรียกว่าเป็นการอุปถัมภ์บำรุงทั้งนั้นบุตธิดาที่ดีและฉลาดย่อมทําให้บิดามารดาได้รับความสุขกายสบายใจโดยอุบายวิธีต่างๆไม่มีประมาณชื่อว่าเกิดมาประดับเกียรติยศชื่อเสียงและส่งเสริมวงศ์สกุลให้วัฒนาถาวรเป็นสกุลที่น่าเคารพนับถือ ผิดกับบุธิดาที่เกิดมาเป็นตัวบ่วงตัวนอนบ่อนทำลายจิตใจและทรัพย์สินวงศ์สกุลให้ย่อยยับอับเฉาสมบัติเงินทองหอกไม่ทันถูกแทะถูกใช้จากบุธิดาประเภทตัวบ่วงตัวมแมลงท่านสอนเป็นคําโบราณไว้ว่าลูกที่ดีดํารงวงศ์สกุลแท้ก็มีลูกคือลอกที่คอยแต่จะปอกจะลอกเอาสมบัติเงินทองก็มีลูกคือลากที่คอยแต่จะลากบิดามารดาเข้าไปห้องขังและตารางเพราะความเป็นห่วงลูกที่ทําช่ด ถูกจับเข้าคองขังหรือติดคุกก็มีลูกคือเลิกจากความนับถือเป็นบิดามารดากันเมื่อบิดามารดาหมดทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรติดตัวเพราะลูกป ร, ประเภทลอกลักเอาไปหมดแล้วก็มีลูกที่นอกจากลูกที่ดีและดำรงวงศุลไว้ได้แล้วเรียกว่าลูกประเภทกาฝากเพราะคอยทำลายล่างผลาญบิดามารดาร้อยเล่พันในให้ได้รับค ว, วามจิบหายเดือดร้อนเป็นตตามกัน เราทุกคนซึ่งไม่ได้มีความมุ่งหวังตั้งหน้ามาทำลายบิดามารดาผู้บัเกิดเกล้าจึงควรระวังสำรวมจีมตัวจีมใจตัวท่านพยายามปฏิบัติตนในทางที่ดีสิ่งที่รู้แล้วว่าไม่ดีและให้โทษไม่ควรกล้าหารหัตถริทำลงไปแม้น้อยก็จะลุกลามเป็นมากหากทำไม่หยุดการประพฤติตัวดีก็ชื่อว่าเถิดทูลเกียรติคุณของบิดามารดาและวงศ์สกุลไว้ได้และเป็นผู้มีอนาคตอันแจ่มใส ถ้าเป็นหญิงจะหาคู่ครองก็ไม่มีใครรังเกยียจถ้าเป็นชายก็มีสเสน่ห์เต็มตัวไม่กลัวความตําหนินินทาหากจะชอบพ่วงแฟนหญิงก็คงจะได้เป็นพุมพวงและดํารงวงศ์สกุลเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจึงควรปลูกศรัทธาในตัวเองต่อสิ่งที่ดีให้มากจะเป็นคนไม่ยากจนมาตาปิดูอุปทานธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงเคยบังเพนด้วยความเคารพเอื้อเฟอื้อตลอดมาแม้ในคราวสวยพระชาติเป็นศักดิ์ ที่ถือว่าเป็นชาติที่อาภัพก็ไม่ทรงลดละจนถึงความเป็นศาสดาสอนโลกก็ยิ่งทรงเทิดทูลทำข้อนี้ให้ประจักษ์แก่โลกอย่างเปิดเผยไม่ทรงดัดแปลงแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นเพราะทรงเห็นว่าเป็นธรรมอันถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายผู้ตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้บุญคุณของบิดามารดาจะมีทางล้างบาปล้างกรรมของตนเสีบบ้าง พอให้เบาบางลงจากกรรมที่ได้ทําให้ทันหรือรับความลำบากทรมานจนไม่มีขอบเขตจะประมาณได้นับแต่วันเริ่มแรกเข้าสู่ปฏิสนธิในครันมาจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาตลอดความชั่วที่มีพึงปรารถนาต่างๆซึ่งพวกเราทําการสั่งสมทุกให้ทันตลอดมาเฉพาะบุตธิดาแต่ละคนเท่านั้นก็มากพอแล้วถ้าเป็นวัตถุซึ่งควรจะเก็บมารวมเป็นกองไว้ได้ ก็คงจะกองใหญ่เทับภูเขาและน่ากลัวอย่างยิ่งใครเดินไปเจอเข้าอาจจะรีบหาทางออกเพื่อพ้นภัยเพราะเป็นกองบาปกรรมที่น่ากลัวมากทั้งอาจจะพากัรลดยอนผ่อนเบาในการทําความช่วยอย่างอื่นลงได้บ้างและคงไม่เ ย, อยือยยิงจองหองและดื้อดึงต่อบิดามารดาตามใจชอบนะักยังพอจะฟังเสียงห้ามพรามสั่งสอนจากท่านบ้างแต่กรรมนี้เป็ น, นธรรมธรรมไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแม้ใช้กล้องจุลทรรศก็ไม่มีทางรู้ทางเห็นได้ ส่วนผลที่แสดงขึ้นแกู่้ทธธรรมก็เช่นกันใครไม่อาจมองเห็นได้โดยตาแต่จำต้องยอมรับผลที่แสดงขึ้นกับตัวโดยทั่วกันนี่กล่าวเรื่องส่วนที่ไม่ดีไม่งามซึ่งบุติดาทั้งหลายจำต้องหรวมตัวและทำความพลั้งพลาดต่อแดนที่เกิดของตนอยู่โดยดีแม้ผู้เขียนก็เคยเป็นมาในทํานองเดียวกันเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจพุททางดีกเลี่ยงทีนี้พูดถึงสิ่งที่ท่านนามาบารงรักษาบุติดาแต่ละคน นับแต่เริ่มแรกแบกทุกจนลูกเติบโตเป็นผู้เป็นคนถ้าเป็นยาแก้โรคที่มีชนิดต่างๆก็หมดไปมากถ้าเป็นอาหารหวานขาวขนมนมเนยเครื่องดื่มชนิดต่างๆก็หมดไปมากการศึกษาซึ่งเป็นงานอาชีพแผนกต่างๆและอุปกรณ์แห่งการศึกษาแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงจนกว่าจะทรงตัวได้ไม่รกวนท่านล้วนแต่สิ่งที่ทําความหมดเปลืองอย่างมากมายและน่าใจหายทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยถ้านํามากองรวมกันไว้ ก็คงจะกองใหญ่และน่ากลัวยิ่งกว่าจะน่าดูเสียอีกสิ่งดังกล่าวนี้แม้จะมากมายเพียงไรซึ่งหมดสิ้นไปก็ไม่มีบิดามารดาของบุตรธิดาคนใดสนใจทำสถิติไวเพอให้รู้จานวนที่เสียไปเพราะความรักความเอ็นดูสงสารบุตรธิดามีกําลังมากกว่าที่จะมาคิดถึงสิ่งเหล่านี้ฝ่ายบุตรธิดาควรสลดใจต่อการทะเกีกตะกายของบิดามารดาผู้อุตสาหเลี้ยงดู มาแต่วันก่อกําเนิดเกิดเป็นมนุษย์มาไม่มีบุต ธ, ธิดาคนใดจะไปสแสวงหาความรักความเอ็นดูสงสารความพเนาพนอเอาอกเอาใจต่อการเลี้ยงดูด้วยความเหนื่อยยากและบริสุทธิ์ใจโดยสม่ําเสมอได้ณที่ใดและบุคคลใดนอกจากบิดามารดา น, นี้เท่านั้นที่ยอมพลีทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่อาราญเสียดายท่านจึงให้นามบิดามารดาว่าพรหมของบุตรเพราะมีพรหมวิหารสี่ต่อบุต ธ, ธิดาอย่างสมบูรณ์ความรักก็บริสุทธิ์ ความสงสารก็บริสุทธิ์ความพอ ย, ยินดีเมื่อบุติดาได้ดีก็บริสุทธิ์ความวางตนสม่ำเสมอต่อบุติดาทุกคนก็บริสุทธิ์การอบรมสั่งสอนก็ออกมาจากจิตเมตตาหวังความรู้ความฉลาดแก่บุตริดาของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแม้จะไม่มีความรู้มากมายแต่ก็พยายามอบรมสั่งสอนไปตามภูมิความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีปิดบังไว้เลยทั้งสมบัติเงินทองของมีค่าบรรดาที่มีมากน้อย อันเป็นส่วนวัตถุนอกกายทั้งสมบัติภายในคือพรหมวิหารสี่เป็นต้นที่ยอมทุ่มเทลงเพื่อบุตริดาทุกคนโดยไม่เสียดายแม้แต่นิดฉะนั้นจึงสมควรเป็นทักษิณาของบุตริดาเสมอด้วยพระอรหันต์องค์หนึ่งการทําคุณหรือทําโทษแก่ท่านทั้งสองแม้คนใดคนหนึ่งจึงเท่ากับทําคุณหรือทําโทษแก่พระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันคุณก็มีมากแต่โทษก็มีมหันเช่นกันท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเอานักหนามาให้ลบลูดูมิน แม้ท่านจะตกอยู่ในฐานะเช่นไรก็ควรเทริดทูนไว้บนเสียงกล้าวไม่ควรดูแคลนเพราะใครไม่สามารถมองเห็นเส้นทางที่มาของกรรมซึ่งพาให้สัตว์โลกเป็นไปต่างๆกันว่าจะมาแบบไหนต่อเมื่อทราบก็กลายมาเป็นเรื่องของตัวเข้าสีแล้วจึงสุดวิสัยที่จะแก้นอกจากจำต้องยอมรับกันเท่านั้นไม่มีทางหลบปลีกหรือเปลี่ยนตัวพรากฏของกรรมเคยเป็นมาอย่างนี้ใครไม่สามารถจะแก้ให้เป็นอย่างอื่นตามความชอบใจได้ ดังนั้นบุตรธิดาที่ดีมีเหตุผลจึงควรเชื่อกรรมซึ่งเปรียบเหมือนเงาเทียมตัวและควรปฏิบัติต่อบิดามารดาตามเยี่ยงอย่างของพระบรมศาสดาพาดำเนินมาแม้พ่อแม่พาเสวยพระชาติเป็นสัตว์ก็ยอมรับนับถือและเลี้ยงดูไปตามอัธยาศัยผู้รู้คุณไม่ลืมตัวมัวเมาคือเอาใจฝักใฝ่ต่อท่านเสมอด้วยความเอาใจฝกักเอาใจฝักใฝ่ตัวเราเพราะโดยมากเราไม่ค่อยอยู่ด้วยความอดอยากขาดแคลน ทุกการและสถานที่มักจะมีความพอกผูนด้วยเครื่องบำรุงต่างๆอย่างเหลือเฟือจนกลายเป็นเฟอร์ไปในบางการโดยไม่รู้สึกว่าตัวเราเฟอและลดคุณค่าลงไปเพราะเครื่องบำรุงกลายเป็นเครื่องสังหารบัณฑ์ธนลงวันละเล็กและน้อยมีความเคารพรักบิดามารดาให้มากไว้ดีกว่าเราเคารพรักเราในทางไม่ดีซึ่งขืนให้เป็นไปมากๆจะพาให้เราขาดทุนศูนรัพย์และกลับตัวไม่ได้ตลอดการเอาใจท่านให้มากกว่าเอาใจเรา เพราะโดยมากเราชอบปล่อยตามใจโดยไม่มีเหตุผลที่คุณิดเป็นหลักได้จึงพาให้ผิดพลาดมากกว่าจะเป็นผลดีเพราะการปล่อยตามใจจนเกินไปเป็นต้นเหตุยอมเชื่อฟังคำท่านตักเตือนสั่งสอนให้มากกว่าการเชื่อฟังความรู้ความเห็นของตนซึ่งเป็นไปด้วยความคึกขะนองเพราะเป็นความรู้ความเห็นทั้งดุนที่ยังไม่ได้กันกรองให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีและเหมาะสมบางเลยข้อนี้จะเห็นได้ ในขณะที่ใจเกิดความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่แบบน้ํารดนฝั่งจะไม่ยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆแม้บิดามารดาจะเป็นคนชั้นสูงมีฐานะดีเพียงไรหรืออินโพรมตนใดจะมาว่ากล่าวสั่งสอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ควรทําจะนําความเสียมาสู่ตนและวง์สกุลดังนี้ก็ตามใจจะไม่ยอมฟังเสียงห้ามปรามสั่งสอนนั้นเลยแต่จะพยายามเอาตามความชอบใจของตนท่าเดียวโดยไม่ยอมคิดบัญชีดีชั่วอะไรทั้งนั้น กว่าจะรู้สึกตัวเวลาจึงสายไปสุดท้ายก็กลายเป็นบุคคลประเภทหมดหวังบิดามารดาพี่น้องญาติมิตรวงกุลก็พร้อยหมดหวังไปด้วยกันเช่นเดียวกับคนไข้ประเภทที่หมดหวังนอกจากจะเตรียมอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ต้อนรับแล้วไม่มีวิธีอื่นใดจะทำให้เกิดผลพระพุทธเจ้าท่านฉลาดแหลมคมสมเป็นาศาสดาของโลกจริงจึงประธานทาไว้ทั้งธรรมเพื่อคนมีหวัง ทั้งทำเพื่อคนหมดหวังดังที่เห็นท่านสวดเพื่อคนที่ยังเป็นอยู่ก็มีเพื่อคนหมดหวังคือตายแล้วก็มีดังที่พูดกันว่าให้บุญคนตายซึ่งเป็นคำติดปากของชาวพุทธตลอดมาท่านที่ได้บุท ธ, ธิดาประเภทนี้มาเหยียบย่างทําลายหัวใจต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากมายไม่สมควรกับที่เรียมาด้วยความรักซึ่งมีน้ําหนักเสมอด้วยแผ่นดินฉะนั้นบุท ธ, ธิดา จึงไม่ควรริอานหัดทำในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความหมดหวังแม้จะโง่หรือฉลาดเพียงไรก็ขอได้ฟังเสียงบิดามารดาผู้คอยรับผิดชอบและมองเห็นการไกลอบรมสั่งสอนเราจะไปเที่ยวแสวงหาฟังคำอบรมสั่งสอนที่เต็มไปด้วยเมตตาอันซาบซึ้งเหมือนบิดามารดาไม่มีแล้วลำพังความรู้ที่ได้ศึกษามาถ้าไม่มีบิดามารดาเป็นน้าเชื่อมคอยเสริมรสอยู่เบื้องหลังแล้ว อาจจะเป็นความรู้ที่เสริมไฟทิฐิมาณนะราคะตัณหาให้แรงกล้าจนไม่มีทางดับได้และทัมดิตหนุ่มสาวให้เสียคนไปในวินาทีใดก็ได้จึงไม่ควรภูมิใจและทนงตัวไปกับความรู้ประเภทแหวกแนวจนเกินไปและควรถือบิดามารดาเป็นหลักใจไว้ในฐานะพวงมาลัยหรือเบ ร, บรกรถจะพาให้ปลอดภัยทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้งจะเป็นคนมีหลักยึดมั่นคงต่อไป มารร้อยแปที่มีอยู่รอบด้านและคอยช่วยโอกาสกับคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจจะไม่มารังควานได้อย่างง่ายได้เพราะการเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของท่านไม่มีทางเสียหายแต่อย่างใดนอกจากจะช่วยเสริมความรู้ความประพฤติให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นขอให้เชื่อเถิดว่าบิดามารดาคือบุคคลวิเศษและซื่อสัตว์สุดจริตเมตตาต่อบุตรทิดาอย่างฝังใจแต่ไหนแต่ไรมาร้อยทั้งร้อยไม่มีเคลือบแคลงสงสัย เป็นที่มั่นใจได้ยิ่งกว่าชีวิตและความมั่นใจของเราซึ่งมีต่อตนเองเสียอีกคนที่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนแม้จะเป็นคนโง่เขลาเบาความคิดแต่ก็เป็นบุคคลที่น่ารักน่าสงสารคนที่ถือพ่อแม่เป็นหลักใจไม่ค่อยตื่นเต้นผาดโผนชอบมีนิสัยกลัวบาปมีฮิริโอดตั บ, บะประจําใจไม่ค่อยชอบแสดงตัวแบบดิงข้างบางชนีซึ่งเป็นสัตว์ชอบพ้อยโหนโยนตัวไม่อยู่เป็นสุข เวลาโดดถูกยิงไม้ผู้ก็เห็นผลทันตายิ่งเป็นบุ ธ, ธิดาที่ฉลาดด้วยแล้วก็ยิ่งช่วยส่งเสริมความสง่างามแก่วงสกุลไม่มีสิ้นสุดเพราะความเคารพเชื่อฟังบิดามารดาเป็นเครื่องเสริมเกียรติท่านกล่าวไว้ว่าบุตรมีสามประเภทคืออภิชาตบุตรหนึ่งอนุชาตบุตรหนึ่งวชชาตบุตรหนึ่งบุตรทั้งสามประเภทนี้มีคุณสมบัติยิ่งย่อนกว่ากันตามลําดับคําว่าบุตรในที่นี้พึงทราบว่ารวมทั้งบุตรหญิงบุตรชายด้วยกัน โปรซารตามกิริยาของเพศที่นิยมการทําดีและทำชั่วไม่เหมือนกันอภิชาตบุตรเป็นบุตรที่มีคุณสมบัติยิ่งกว่าบิดามารดาทั้งนี้อาจมีได้หลายทางคือทางสติปัญญาความเฉลียวฉลาดบ้างทางความรู้วิชาในแง่ต่างๆบ้างทางฐานะความเป็นอยู่บ้างทางด้านความประพฤติและศีลธรรมทั่วไปบ้างหรือเป็นนักบวชที่มีคุณธรรมสูงคืออาจบรรลุธรรมเป็นขั้นๆจนถึง ชั้นสูงสุดคืออรหัตตผลบ้างเป็นพระประเจกพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างต่างๆกันเฉพาะอริยธรรมขั้นไหนขั้นหนึ่งที่บิดามารดาไม่สามารถบรรลุได้ควรยกย่องบุตรผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาและควรเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรได้ตามลำดับแห่งคุณธรรมบุตรที่มีคุณธรรมสูงนี้นับว่าเป็นที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบันจะเป็นเพราะเหตุใดไม่อาจทราบได้ จึงขอฝากท่านผู้อ่านนำไปวินิจฉัยเพื่อช่วยแบ่งหนักแบ่งเบากันบ้างบางทีอาจมาถูกตัวเราผู้กำลังสนใจในธรรมและปฏิบัติอยู่อย่างไม่ลดละเข้าบ้างก็จะได้เห็นอภิชาติบุตรในตัวเราเองซึ่งกำลังหายากในปัจจุบันอันนับว่าโชคชะตาวาสนาอำานยทั้งสองฝ่ายไม่เสียทีที่ท่านเลี้ยงมาแสนยากแสนทรมานได้เห็นผลตอบสนองอย่างพึงพอใจนับว่าเกิดมาให้ความสุข และประดับเกียรติแก่บิดามารดาและวงศ์สกุลอภิชาติบุตรนี้รู้สึกว่าจะเป็นบุคคลพิเศษอยู่บ้างอย่างน้อยก็ต้องมีจุดเด่นในทางใดทางหนึ่งอันเป็นที่น่ารักน่าเคารพนับถือของผู้อื่นอนุชาติบตรเป็นบุตรที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติคล้อยตามบิดามารดาไม่แสงหน้าแสงหลังไปในทางต่ํำสามคอยฟังเสียงพ่อแม่ผู้ปกครองให้เห็นดีเห็นชอบก่อนเสมอในกิจการที่ตนจะพึงทํา ไม่คอยออกความรู้ความเห็นโดยลำพังตนเองในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดผลดีหรือชั่วไม่ทําอะไรด้วยพระการมีนิสัยชอบเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่เป็นคนดื้อด้านหานธรรมในสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหายแม้จะมีความฉลาดแหลมคมก็เก็บไว้ในส่วนลึกไม่แสดงออกมาให้ให้ผู้อื่นเห็นว่าตนฉลาดการครบเพื่อนหญิงเพื่อนชายก็ไม่คบในลักษณะปล่อยตัวโดยไม่ได้สังเกตให้รู้นิสัยใจคอก่อนการงาน หรือความประพฤติผู้ใหญ่ที่เตี้ยนก็รีบแก้ไขหรือหยุดทันทีไม่กล้าฝ่าฝืนอันเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีอีกต่อไปมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวไม่ทําให้ผู้ปกครองหนักใจพยายามดํารงวงศสกุลตามขนบประเพณีที่พ่อแม่พาดําเนินมาไมา่ให้เสื่อมโสรมสิ่งใดที่เป็นมรดกอันมีคุณค่าจากน้ําใจที่ท่านมอบให้ก็พยายามรักษาสิ่งนั้นไว้ด้วยความเคารพรักและสงวนเสมอด้วยชีวิต ไม่ปล่อยให้เสื่อมโทรมและหายไปไม่นำไปจับจ่ายขายกินแบบแบบบุคคลสิ้นท่าไม่มีทางหากินเป็นผู้เคารพต่อความรู้ความเห็นของผู้ปกครองไม่ปีนเกลียวแวกแนวจะเหตุผลที่ควรเชื่อถือบุตรประเภทนี้ก็นับว่าหายากไม่น้อยเลยถ้าเป็นสินค้าก็ไม่ค่อยมีขายจะเป็นเพราะราคาแพงมากไปก็ไม่อาจทราบได้ไม่เหมือนประเภทที่ทันสมัยจนรํายุคซึ่งกาลัง เริ่มล้นและซื้อง่ายขายคล่องแต่ไม่มีคุณภาพสมกับเงินผู้ซื้อมักจะเริ่มขาดทุนก่อนลงมือซื้อไปเป็นลำดับและอดครวนไปทำตามกันถ้าขืนส่งเสริมสินค้าประเภทดํำยุคข้ามากๆก็น่ากลัวจักจึงขอฝากท่านผู้อ่านและสนใจในของหายากได้ค้นหาอานุชาตบุตรเอาเองบางทีอาจเจอถ้ายังไม่เจอกรุณาอย่าละความเพียนไปเสียแล้วย้อนเข้ามาค้นหาที่ตัวเรา เมื่อพบว่าส่วนไหนที่ยังปลอมแปลงไม่เป็นไปตามรูปลักษณะที่ท่านสอนจะได้ดัดแปลงแก้ไขเสียใหม่คงไว้แต่ของดีมีค่ามากในตัวเราปัญหาความเคลือบแคลงสงสัยที่อาจมีว่าเป็นบุธิดาในลักษณะใดก็จะสิ้นสูญไปจะพบแต่ความสุขความเย็นใจในตัวเราและผู้ปกครองตลอดผู้เกี่ยวข้องทั่ ว, วไปดารงประเพณีไวอ้อย่างคงเส้นคงวาและ ม, มีคือมีแปรนอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างทางอันราบรื่นดีงามให้แก่กุลบุตรดำเนินตามเพื่อเป็นสุภาพชนต่อไปไม่สูญพันธ์ไปเสียในระหว่างที่ยังไม่ควรจะเป็นส่วนอวชาตบุตรนั้นถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและใช้ไม่ได้แทบทั้งนั้นคอยแต่จะเล้าและแตกทํำลายถ้าเป็นอาหารก็เป็นประเภทให้โทษแก่ร่างกายไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าที่ควรถ้าเป็นบ้านเรือนก็มักจะแรง ชอมีสิ่งลึกลับแอแฝงอยู่ภายในคนในบ้านอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขต้องไปเชิญหมอขับผีมาขับกันบ่อยถ้าเป็นสัตว์เช่นวัวไกวก็ใช้งานการคราดไถใส่ล้อกเวียนไม่ค่อยได้คอยแต่จะดันทุรีงพาคราดไถล็อกเวียนเข้าป่าเข้าผมจากนั้นก็หันหน้ากลับมาชนเจ้าของเท่านั้นถ้าจะฆ่าทิ้งเสียก็คิดสงสารเพราะเลี้ยงเข้ามาจึงมีแต่เรื่องให้ลำบากลำคาญใจถ้าเป็นสุนัขก็ไม่มีประโยชน์ต่อการรักษาบ้านเรือน แต่เก่งไปในทางเถระเถกรามชอบพานแต่ข้าสุขข้าวสารอาหารในครัวมีเท่าไหรเป็นขโมยกินเกลี้ยงหมดเสร็จแล้วก็เที่ยวทายไม่รู้จักที่ทางไม่เลือกกลางบ้านกลางเรือนกลางถนนถนนทางหน้ า, นาบ้านหลงังบ้านด้านสนามเที่ยวทายเรี่ยราดไปหมดจนเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณหาที่หลบซ่อนจะหมกไม่ได้ล้วนเป็นเรื่องกรรมที่ไม่น่าปรารถนาบุตรธิดาที่ในนามว่าอาวชชาติบุตรนี้ก็มีลักษณะดังกล่าว ม, มา คือมีจิตใจดำและต่ำทรา ม, มากชอบประพฤติในทางชิบหายสิ่งที่พ่อแม่หรือท่านผู้ดีตาหนิว่าไม่ดีแต่ชอบจะทำในสิ่งนั้นไม่ยินดีฟังเสียงผู้ปกครองว่ากล่าวสังสอนถ้าเป็นแฟนชายหญิงที่ตนรักชอบแล้วแม้จะบอกให้ไปนอนอยู่ในโคลนตมก็ยินดีทาตามไม่ฝ่าฝืนพ่อแม่ไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรจากบุตรประเภทนี้นอกจากจะคอยผลาญทรัพย์แตะจับตัวไปลงโทษไม่ได้เท่านั้น ชอบเที่ยวชอบเกี่ยวหญิงชายจ่ายเงินเป็นน้ำเป็นท่าไม่มีอันการนึกคิดไปในทางต่ำถือเป็นหลักวิชาพิเศษประจํานิสัยชอบเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่คํานึงถึงศักดิ์ศรีพ่อแม่วงสกุลว่าจะได้รับความเสียหายทางทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงคิดอย่างเดียวว่าขอให้ได้ทําตามใจในสิ่งที่คิดว่าอยากทําถ้ามีบัญชีดีชั่วบุญบาปจริงดังที่าศาสนาสอนไว้ก็แล้วแต่นยมมายบำบานจะคิดบัญชีเอาเอง แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ขอให้ได้ทําอย่างสนุกใจนี่คือวิถีทางเดินแห่งชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ของอวชาตบุตรผู้มีนิสัยต่ำสามท่านจึงให้นามว่าอวชาตบุตรแปลว่าผู้มีจิตใจอันหนิงลงทางอบายมุข ค, คือความเสื่อมทามทางจิตใจและความประพฤติและเป็นมารต่อสังคมและทรัพย์สมบัติทิ่มแทงจิตใจพ่อแม่ญาติมิตรให้ได้รับความเดือดร้อนเสื่อมโสรมแม้จะเรียกว่า บุตรประเภทคุยไม่ไผ่หรือบุตรปลีกล้วยก็ควรจะได้เพราะเกิดขึ้นมาเพื่อทําลายล้างพรานวงสกุลให้ย่อยยับอับแสงเช่นเดียวกับขุยไม่ไผ่และปรีกล้วยที่เกิดขึ้นมาแล้วทําลายลำตัวของมันเองให้ตายไปฉะนั้นการก ล, กล่าวเรื่องบุตรสามประเภทนี้กล่าวไปตามหลักธรรมที่มีไว้เป็นธรรมสอนโลกม่ได้มุ่งต่อท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ เผื่อท่านผู้สนใจใคร่ต่อธรรมคือความดีงามอันเป็นอุดมมงคลแก่ตนและวงศ์สกุลจะได้เลือกหาเอาเท่าที่เห็นควรและนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นหลักยึดของใจจะไม่ลืมตัวว่าเราเกิดจากอะไรใครเป็นผู้รับประกันอัตภาพร่างกายจิตใจไว้จึงมีชีวิตสืบต่อมาถึงวันนี้และเป็นสาเหตุให้เห็นความสำคัญของตัวว่าเรามิได้เกิดมาโดยไร้ความหมาย ปราศจากผู้คุ้มครองป้องกันแล้วไม่กล้าทำอะไรลงไปแบบสมเดาทั้งจะเห็นคุณของท่านบุปการีที่มีพระคุณเหลือล้นพ้นวิสัยที่จะพา น, านาแก่บุติดาของตนยิ่งขึ้นความสนใจต่อการอุปถารกรักษาและเชื่อฟังท่านก็จะถือเป็นกิจสำคัญประจำตนไม่ละเลยต่อหน้าที่ของมนุษย์ผู้ควรมีทําประจำใจส่วนวีดามารดาก็มีความอบอุ่นและเบใจที่เห็นบุติดาของท่านเป็นคนดี เอาใจใส่ต่อการงานทุกอย่างและฝกักฝ่ายต่อการเลี้ยงดูและเชื่อฟังไม่เมือนเฉยนับว่าไม่เสียกําลังแรงพ่อแม่ที่ได้ตะเกียกตะกายเลี้ยงดูมาแต่วันเกิดซึ่งแสนทุกขทรมานตลอดมาเวลาตายก็ไม่ว่าวุ่นคุนมัวเพราะเรื่องราวต่างๆของบุตรมาโกลนใจตายอย่างตาหลับสนิทมีบุตรธิดาคอยรับรองป้องกันให้ความอบอุ่นไว้อย่างพร้อมมูลท่านหวังมีสุขโตเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เวลาสุดวิสัยในความเป็นอยู่ของท่านแล้วบุตรที่มีกตันยูกะตะเวทิตาคุณประจำใจย่อมไม่ลดละความระลึกถึงบุญคุณยังอุตสาภาการทําบุญอุทิศถึงท่านตามความเหมาะสมเส ม, มอมาอันนับว่าเป็นบุญเป็นคุณต่อกันไม่มีสิ้นสุดบุตรธิดาที่ได้ทําดังนี้นับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเวลาถึงวาระของเราบุตรธิดาก็จะทําการตอบสนองคุณเช่นเดียวกันเพรากฏของธรรมชาติที่เรียกว่ากรรมเป็นมาอย่างนั้น ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องเป็นไปตามความจริงในธรร ม, มีว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่แสดงให้เห็นชัดว่าสัตว์โลกทั้งมวลอยู่ใต้อำนาจของกรรมทั้งนั้นเราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกจะสามารถลบปรีกปรีกกรรมที่ตนทาไว้แล้วไปอยู่ที่ไหนได้จําต้องยอมรับผลอยู่โดยดีถึงผู้ทาไม่ดีต่อพ่อแม่ก็ย่อมจะเห็นผลไม่ดีของตนในปัจจุบันนี้เอง คือบุตรธิดาของเราเองจะกลายเป็นกวางเป็นน้ำขึ้นมาในครอบครัวและทิมแทงหัว อ, อกของเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ให้เดือดรับความลำบากทรมานใจเช่นเดียวกับเราให้พ่อแม่ของเราโดยไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องดีเรื่องชั่วของสัตว์โลกพร้อมทั้งเหตุและผลมาแล้วโดยตลอดทั่วถึงจึงได้ทรงประกาศสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยําตามหลักวิชาที่ทรงรู้เห็นมา ว่าทำดีต้องได้รับผลดีทำชั่วต้องได้รับผลชั่วแน่นอนไม่เป็นอื่นใครเชื่อตามธรรมของพระองค์ก็เจริญร่วงเรืองใครไม่เชื่อก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะสิ่งที่ทําให้ผู้เชื่อได้รับความอบอุ่นและมั่นใจยอย่างยิ่งซึ่งควรนํามายืนยันก็คือองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมก็มีพระทัยที่บริสุทธิ์ธรรมก็แสดงออกจากความบริสุทธิ์ที่ควรเป็นธรรมที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเมื่อธรรมบอกว่าบาปมีจริง บุญมีจริงสุขมีจริงทุกมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง <c oughs> ดังนี้คนประเภทมืดบอดอย่างพวกเราจะเอาความรู้และเหตุผลที่ไหนมาคัดค้านท่านใดเล่าเพราะผู้หนึ่งแสดงด้วยความรู้จริงเห็นจริงแต่ผู้หนึ่งกลับเอาความมืดบอดมาคัดค้านฝ่ายไหนจะมีความจริงควรเชื่อถือได้เพียงเท่านี้ก็พอเข้าใจได้แล้วฉะนั้นเรื่องจึงมีอยู่เพียงว่าถ้ามาอยากจมดิง่ง ลงนรกคือที่ทรมานซึ่งเข้าใจว่าไม่มีนั้นก็ต้องรีบทำความดีที่เคยทำชั่วมาก็ต้องรีบกลับตัวเสียกรรมชั่วกับเราก็เลิกทะเลาะกันไปเองไม่ควรไปหาความสำคัญที่หลอกลวงและเคยกั้นทางเรามาเป็นเครื่องป้องกันซึ่งอาจจะเป็นการเสริมทุกข์มากขึ้นแต่ผู้แบกทุกข์ก็คือเราอยู่นั่นเองการไม่เชื่อบุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์ว่ามีเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพียงเท่านี้ไม่ใช่วิชาที่สามารถป้องกันตัว ให้พ้นจากบาปและนรกได้เลยจะต้องมีคติเป็นไปด้วยความสุขบ้างทุกบ้างเช่นเดียวกับที่โลกผู้ทำกรรมได้รับทั่ ว, วไปฉะนั้นการไ่เชื่อฟังคำบิดามารดาตักเตือนสั่งสอนการลบปลูดูมินการทอดทิ้งไม่สนใจต่อการเลี้ยงดูซึ่งเป็นการเนรคุณท่านแต่และอย่างล้วนเป็นบาปกรรมแก่บุตรเองแม้ไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็ไม่ใช่เครื่องมือป้องกันนรก ภาระอันหนักหน่วงที่บิดามารดาไม่มีเวลาปล่อยวางได้นั้นคือภาระที่มีตบุตรบุตรแต่ละคนนับว่าหนักและกดทวงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเริ่มแต่บุตรบุตรเก้าข้าสูตรทอนมารดาเริ่มรับภาระหนักไปเป็นลำดับทั้งทางร่างกายและจิตใจคือความรักมากความสงสารเสมอด้วยชีวิตความหวังใจและดีใจว่าตนเริ่มมีบุตรความระวังตั้งสติในการประครับประกองบุตรผู้อยู่ในคันความสังเกตอาหารและอยู่ยาต่างๆ อ่านเป็นภัยแก่ บ, บุตรในคันเวลามารดานำมารับประทานหรือแก่โรคไม่ให้ร้อนจัดเข้มจัดเป็นพิษต่างๆยาที่ไม่ควรรับข้อตงงดแม้โรคจะกำเริบเพราะไม่ได้รับยาก็ยอมทนเอาการเป็นอยู่หลับนอนและการเคลื่อนไหวไปมาทุกอาการล้วนอยู่ในความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยแก่ บ, บุตรที่อยู่ในครันซึ่งจัดเป็นภาระกังวลแต่ละอย่างและอย่างไม่น้อยเลยที่มารดาจำต้องยอมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาจะคลอดก็ยอมสละชีวิตรับความทุกข์ทั้งมวลที่โขมกันมาในขณะนั้นยิ่งกว่ามรสมุมในทะเลถ้าพานมหันตทุกนั้นไปไม่ได้ก็ต้องเกิดสงครามใหญ่ตัวในครอบครัวคือสามีต้องเป็นไม้รายมนบนทุกที่แสนทรมานเพราะความคิดถึงภรรยาที่ตายไปลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ในครอบครัวก็ร้องให้พิไรรำพันหาแม่ที่ไรวิญญาณสุดที่จะสังเวชสงสาร ทั้งผู้ตายไปและผู้ยังอยู่ที่กำลังตกอยู่ในกองเพลิงคือความวิปรโยคพลัดพรากแสนทุกทรมานถ้าผ่านความทุกข์ขั้นสรบสลายไร้ชินดีในการคลอดนี้ไปได้ก็นับว่าพ้นนรกหลุมปางตายไปวรระหนึ่งซึ่งเท่ากับเกิดเป็นคนชาติใหม่ขึ้นมาขณะที่คลอดแม้จะได้รับความทุกข์จนเหลือทนในเวลานั้นก็ตามแต่มารดาผู้รอตายคนนั้นก็ไม่เคยมีความรู้สึกนึกคิดว่าธารกนี้ ช่างเกิดมาเพื่อก่อกรรมทำเข็นให้เราได้รับความทรมานอะไรอย่างนี้แต่กลับมีแต่ความรักและความหวังอันท่วมท้นอยู่ในทรงอกที่อดจะเอื้อมมือสวมกอดถารูกตัวแดงๆที่เพิ่งคลอดและรอดตายออกมาทั้งแม่ทั้งลูกไม่ได้ความทุกข์ก็เหลือทนปากก็บ่นถามว่าลูกของเราเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่หยุดปากด้วยความดีอกดีใจที่ชีวิตรอดพ้นมาได้เห็นหน้าลูกรักผู้เปรียบเหมือนดวงใจ จากนั้นก็พยายามพิทักษ์รักษาทั้งบิดามารดาแบบเอาชีวิตชีวาเข้าช่วยรองรับเป็นประกันไม่มีเวลาเป็นอยู่รับนอนด้วยความสบายเลยนับแต่บุตรคนแรกถึงคนสุดท้องเกริมแบกภาระหนักเรื่อยมาถ้าเป็นผู้มียศหนักศักย์ใหญ่มีฐานะดีก็หาคนมาช่วยพิทักษ์รักษาอย่างภาคภูมิสมเกียรติไม่ให้ลูกมีความอนาถร้อนใจถ้าเป็นผู้มีฐานะต่ำยากจนคน้นแค้นหาเช้ากินเย็นก็ยิ่งแย่มาก พ่อแม่ต้องตะเกียกตะกายด้วยกำลังปรีแข่งแข่งกับความอดอยากหิวโหยสแสวงหาทรัพย์มาได้มากน้อยเพียงไรก็จำแนกแจกจ่ายแก่ลูกๆตามความจำเป็นที่บังคับอยู่รอบด้านในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่ออาหารของลูกคนนี้บ้างเพื่อเครื่องเรียนและเครื่องแต่งตัวของลูกคนนั้นบ้างกว่าจะครบลูกแต่ละคนพ่อแม่แทบเป็นลมบางวันยอมอดบางวันพอประถังแต่บางวันไม่มีอาหารนอนทองเลยแสนหิวแสนแสบท้อง ก็จำต้องทนอดทนหิวเพราะความรักความเป็นห่วงลูกๆกกลัวจะอดอยากลําบากกายทรมานใจและอายเพื่อนฝูงแม้ตนจะตายก็ไม่สนใจในชีวิตยิ่งผู้มีลูกหลายคนและฐานะจนๆด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานมากหัวอกก็จะแตกสมองจะทํำลายเพราะความคิดมากถึงเวลาลูกไม่สบายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่พ่อแม่มากแทบจะกระอักเลือดออกมาในบางคราว คิดดูแล้วจะเห็นว่าเป็นทุกที่ควรจะโปร่งความสลดสังเวชเอานักหนาทั้งจะคอยเฝ้ารักษาบุตรผู้ป่วยทั้งจะวิ่งหาซื้อยามาผดผุญพยาบาลทั้งจะไปตามหมอหรือนําส่งโรงพยาบาลตามแต่ความจําเป็นบังคับว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรลูกถึงจะหายหรือบรรเทาลงไม่ตายจากทั้งค่ายกยาที่จําต้องขวนไกวยทั้งการอาชีพก่รัตตัวเข้ามาทุกระยะ สำหรับผู้อยู่ในฐานะยากจนเนื่องจากไม่มีเวลาประกอบทั้งลูกผู้ยังดีก็ยังอ้อนออดเขี้ยวเข็นจะต้องการสิ่งนั้นจะรับประทานสิ่งนี้ร0 8ยดล้วนเป็นเรื่องรบกวนชวนให้ปวดหัวอกตั้งตัวไม่ติดความคิดและสมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ก็รีบรวมมาทุ่มเทลงเพื่อบุรผู้ป่วยจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวและยังตะเกียกตะกายต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมของตัวแม้จะอดจะหิว หรือจะเป็นจะตาอย่างไรก็ไม่ได้กำหนงเพราะจิตใจมัวไปว่าวุ่นคุณมัวอยู่กับลูกๆทั้งผู้ป่วยและผู้เป็นคนดีตลอดเวลาจนสูบปีธีดผอมแห้งแรงไม่มียังเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่ก็อดทนไปบางครั้งการเจ็บป่วยกลับมาเกิดแก่บิดามารดาเสียเองซึ่งเป็นการบั่นทอนความเป็นอยู่ทุกด้านทางครอบครัวให้สยบซบเ้าลงไปตามๆกันเรื่องท้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวใด ครอบครัวนั้นต้องกลายเป็นกองเพลิงไปอย่างน่าเห็นใจและสงสารอย่างยิ่งโดยไม่เลือกว่าผู้มียศถาบรรดาศักด์เกียติยศชื่อเสียงและมีฐานะดีเพียงไรเพราะเป็นเรื่องความทุกข์เผาผลาญใจและทรัพยสมบัติให้ฉิบหายเพท่าเดียวจึงควรเทียบกับการตกนรกหลุมโลกันตักที่มืดมิดปิดตาเราดีๆเราดีๆนี่เองผู้ที่ไม่เคยเห็นนรกซึ่งสงสัยกันอยู่พอได้เป็นบิดามารดาคนแล้วก็ทราบได้เองโดยไม่ต้องถามใครว่า นรกอยู่ที่ไหนและไม่ว่าบิดามารดานั้นๆจะอยู่ในฐานะเช่นไรจำต้องถูกฉุดถู ก, ถกลากลงนรกแบบนี้แทบทั้งนั้นนอกจากบุ ธ, ธิดาที่อยู่ในฐานะแห่งความลืมตัวไม่สนใจคิดบ้างเท่านั้นจะไม่มีทางมองเห็นนรกที่บิดามารดาของตนตกและเสวยอยู่เป็นนิดโดยอาศัยบุ ธ, ธิดาเป็นเชื้อเพลิงและก่อขึ้นเผาท่านตลอดเวลานั่นคือนรกหลุมทุกทรมานเพราะบุตรธิดาหลุม หล่มเอาชีวิตเข้าประกันเพื่อชีวิตของบุตธิดาบ้างหลุ่มรักสนิทและติดถนัดถอนไม่ขึ้นบ้างหลุ่มเป็นบ่อยคอยรับใช้เขาอยู่กลางเรือนเหมือนคนต้องหาอยู่ในที่คุมขังบ้างหลุ่มคอยเป็นเพื่อนเล่นของเขาอย่างสนิทใจทั้งสองฝ่ายบ้างหลุ่มเป็นบ่อยรักนายคือบุตธิดาต้องคอยเอาอกเอาใจเขายิ่งกว่าชีวิตของตัวบ้างหลุ่มคอยคล้อยตามนายนายต้องการอะไรต้องพยายามหามาให้จนได้ไม่งั้นนายจะเสียใจ และร้องไห้หาว่าพ่อแม่ไม่รักตนบ้างหลุมลูกไม่เชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนและหาว่าพ่อแม่คลัค่คลือล้าสมัยอะไรอะไรไม่ทันเขาบ้างหลุมไม่สามารถห้ามปราม บ, บุตรดดาที่มีความรู้เห็นที่ล่อแหลมแหวกแนวและพิสดารเกินกว่ามนุษย์ผู้มีขนมรรมเนียมประจำชาติจะคาดถึงบ้างหลุมอกแตกแต่หัวใจยังมีเพราะลูกประพฤต่ำช้าอนาจารผลาญขนมประเพณี ชอบละพืชแต่สิ่งอันเป็นการทำลายจิตใจชื่อเสียงพ่อแม่วงสกุลและญาติมิตรชนิดหมดอย่างอายไร้ฝิ่นทำบ้างเรื่องนรกที่บิดามารดาจะต้องตกและรับเคราะห์กรรมไปเป็นลำดับเพราะบุตรธิดาที่มีนิสัยต่างๆกันเป็นผู้อุตริสร้างขึ้นนั้นมีมากมายและแสดงเปลวต่างๆกันจะเลือกสรรหาตกหลุมมีความทุกข์ร้อนพอประมาณตามใจชอบย่อมไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดามารดาของคนแล้ว ยามต้องถูกลากถูกฉุดไปตกนรกเสียจนทุกหลุมทุกบ่อ น, นั่นแหละวันดาที่เขาเที่ยวสร้างเอาไว้พิษไฟนรกเหล่านี้ไม่ว่าหลุมใดต้องร้อนทั้งกายทั้งใจและร้อนสมอยู่ตลอดไปไม่ค่อยมีวันสงบและดับเร็วลงบ้างเลยพอจะสงบกายใจลงบ้างบุตรคนนั้นก็เริ่มก่อขึ้นมาธิดาคนนี้ก็ก่อขึ้นมาด้วยเรื่องต่างๆไม่มีประมาณบิดามารดาผู้คอยตามชำระบัญชีให้คนนั้นให้คนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่มีเวลาหยุดยัง้งก็แย่ไปเองและแย่ไปตลอดอวสานไม่มีวันขึ้นจากลมหึกได้หากบุตรธิดาไม่ช่วยกันพยุงด้วยการรู้สึกสำนึกตัวว่านี่คือท่านผู้บังเกิดเกล้าซึ่งหาเพียงคนเดียวในโลกทั้งการให้กำเนิดและเลี้ยงดูทั้งคุณธรรมประจำใจที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาคือความรักความเอ็นดูสงสารก็เป็นหนึ่งในโลกความอนุเคราะห์เลี้ยงดูทุกอย่างก็เป็นหนึ่งในโลก ความพเนาพนาเอาอกเอาใจบุตริดาก็เป็นหนึ่งในโลกความจดจ่อถกการดูแลรักษาทุกด้านก็เป็นหนึ่งในโลกเจตนาอันบริสุทธิ์ที่ทุ่มเทลงเพื่อบุท ธ, ธิดาทุกคนจะรักษาเอาไปเพื่อความสุขกายสุขใจและเพื่อความเป็นคนดีในปัจจุบันและอนาคตก็เป็นหนึ่งในโลกไม่มีเจตนาและความขวนขวายใดยและของใครในโลกจะเป็นของบริสุทธิ์และมีคุณค่ายิ่งกว่าของบิดามารดาที่มอบให้บุท ธ, ธิดาแต่ละคน ทั้งทางน้ำใจและกิริยาที่แสดงออกล้วนเป็นสิ่งที่ควรเทิดทูนไว้บนศรีรษะโดยแท้แม้ท่านจะมีฐานะต่ำต้อยด้อยสมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงเพียงใดก็ตามแต่น้ำใจที่แสดงออกต่อบุตรธิดาทุกคนจะสมบูรณ์ล้นฟังอยู่เสมอไม่มีการลดตัวลงเหมือนสิ่งอื่นๆที่จเจริญแล้วมีเสื่อมลงในเวลาไม่นานการระลึกในพระคุณของบิดามารดาด้วยความผูกพันไม่จืดจางวางเฉย เช่นเดียวกับท่านมีใจผูกพันกับเราเสมอมาย่อมเป็นความดีและสิริมงคลแก่บุธิดาไม่มีสิ้นสุดทั้งจะทำให้มีความอบอุ่นและมั่นใจต่อตัวเองทางความประพฤติและกิจการเพื่อความเจริญทุกด้านไม่อาภพัพอับเฉาวความเคารพเชื่อฟังท่านก็อยู่ในระดับลูกที่มีพ่อมีแม่ไม่ดื้อดึงฟาฝืนการศึกษาทุกแขนงก็บากบันมั่นใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงใจไม่ทะเลทลายเข้าตรอกออกชาย อันเป็นลักษณะผู้เป็นมารที่คอยสังหารทำลายตนแบบผู้ล้มละลายไม่หัดนิสัยเป็นคนชอบเที่ยวทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนอันเป็นการเขย่าก่อกวนจิตใจให้กําเริบและทำลายความมั่นคงของจิตใจและการงานทุกด้านให้ดอยลงหรือเสียไปเป็นคนชอบระวังสังเกตเหตุการณ์และสิ่งเกี่ยวข้องทั่ ว, วไปไม่ลืมตัวมุ่มการงานทุกด้านตั้งใจทามุ่งความสาเร็จเป็นผลอย่างฝังใจ ไม่หันเห่เร่ร่อนแต่ตั้งหน้าทํางานเพราะเห็นว่าเงินกับงานมีคุณค่าเสมอกันทําอะไรทําจริงไม่หัดนิสัยเป็นคนจับจดุดแบบงดสิ่งนั้นกลับมาทําสิ่งนี้และจับโน้นวางนี้รูบๆคลำๆให้เป็นชิ้นเป็นอันพอให้เกิดประโยชน์เวลาว่างก็หางานที่เหมาะสมกับหน้าที่ของตนทำเพื่อช่วยบิดามารดาให้เบาบืง่ลงบ้างและเพื่อเป็นการสร้างนิสัยไม่ให้เป็นคนว่างงานอยู่เฉยๆจะเคยตัวชินใจ จนกลายเป็นคนเกลียดคร้านหารับประทานไม่พอกับความต้องการเวลาเติบโตขึ้นจะลําบากการเคารพเชื่อฟังวิดามารดาเป็นทางเดินของชีวิตและมันย่านความประพฤติย่อมเป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวอนหนึ่งสิ่งที่เกีดกวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียดครานอ่อนแอในธรรมท่านประนามไว้ว่าเป็นกากหนามกั้นทางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน ไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดการผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียรตคร้านว่าเป็นคู่มิตรควรทราบไว้อย่างถึงใจว่าเป็นศัตรูของการงานทุกด้านเพื่อโภคทรัพย์ตลอดคารไหนๆความเกียรตคร้านและความจนเพราะความเกียรตคร้านพาให้เป็นไปนี้ต้องพาผู้คล้อยตามให้เป็นผู้จนตรอกอบพูนทุกอย่างไม่มีทางฟื้นได้ไม่เหมือนความจนด้วยเหตุอื่นๆบังคับซึ่งอาจมีทางฟื้นตัวได้ฉะนั้น พวกเราควรโกรธความเกียดคร้านนอนตื่นสายไว้แต่เด็กแต่เล็กเพื่อมีทางแก้ไขและลบล้างได้พอเหมาะพอดีไม่สายเกินคาดเพราะตลาดสมบัติทั้งมวลมีอยู่กับผู้มีความภาคเพียร น, นี้ทั้งนั้นเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเด็กของชาติในแดนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยวิชาเครื่องต้านทานและป้องกันตัวอย่างเยี่ยมยอด ได้ศึกษาและยึดหลักธรรมไปปฏิบัติต่อตัวเองเท่าที่ควรแก่ฐานะขึ้นไปเป็นลำดับอย่างน้อยก็ควรได้รู้บุคคลสําคัญของโลกว่าคือใครบ้างที่ควรส่งเสริมเทิดทูนให้สมเกียรติของบุคคลนั้นๆั้นก็คนสําคัญของโลกนั้นคือแดนกําเนิดแห่งบุต ธ, ธิดาได้แก่ปิดามารดาหนึ่งได้แก่ตัวเราผู้ถือกําเนิดอันสมบูรณ์เต็มภูมิมนุษย์หนึ่งนี่คือบุคคลสําคัญของโลก ถ้าไมมองข้ามไปเสียจนกลายเป็นคนไม่มีสาระอะไรติดตัวเลยเท่านั้นที่ว่าบิดามารดาเป็นบุคคลสําคัญของโลกนั้นเพราะท่านเป็นผู้ให้กําเนิดและเลี้ยงดูมาก่อนใครๆในโลกผู้ที่ได้รับอุปการะจึงครองตัวเป็นเป็นเราเป็นท่านมาได้นับจํานวนเต็มโลกเอาเลยถ้าไม่ใช่ท่านแล้วจะไม่มีมนุษย์หญิงชายทนมีชีวิตเหลืออยู่ในโลกได้เลยแม้คนเดียว เราพอทราบได้ว่ามนุษย์ในโลกมีประมาณเท่าไหร่และมีใครที่ไม่มีแดนกําเนิดแต่สามารถเกิดและเติบโตได้เองอย่างอิสระเข้าใจว่าไม่มีแม้แต่รายเดียวที่อุตริมาเกิดแบบเห็ดดินเห็ดโคลนถ้ามีก็จัดว่าเป็นมนุษย์แปลกโลกและน่ากลัวพิลึกคงอยู่ร่วมโลกมนุษย์ที่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดไม่ได้เพราะใครๆไม่ไว้ใจและกล้าให้ความสนิทสนมกลัวจะเป็นทานองนกกระสา ที่มาเป็นนายฝูงกบในบึงใหญ่ที่ปราตจากนายพอนายกระสามาปกครองก็เริ่มใช้อำนาจในการปกครองด้วยจะ ง, งอยปากจนกบท้งฝูงหมดเรียบบึงไปเลยไม่มีกบเหลืออยู่แม้ตัวเดียวมนุษย์เรายิ่งมีนิสัยขี้ขลาดถ้าให้ความสนิทสนมกับมนุษย์ประเภทพิศณานี้แล้วก็อาจเกิดมาหาอุบัติยิ่งกว่ากบซึ่งมีอยู่ในบึงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นและมีใครบ้าง ที่บิดามารดาไม่ได้ประคองเลี้ยงดูในขั้นเริ่มแรกก่อนแต่อยู่ๆก็เติบโตขึ้นมาเอาเฉยๆแบบก้อนเม่ก้อนหมอกนอกจากบิดามารดาต้องเป็นคนเหลือเด่นจากความตายไปตามๆกันเพราะการตะเกตยกกายต่อการเลี้ยงดูและรับผิดชอบรอบด้านกว่าบุตรธิดาแต่ละคนจะเติบโตขึ้นมาพอหายใจได้บ้างโดยลําพังตนเองแม้ท่านเลี้ยงดูจนโตขึ้นมาแล้วแต่บางราย ยังแทบไม่มีจมูกหายใจต้องมาคอยอาศัยพ่อแม่ให้ช่วยเหลือพอมีทางหายใจก็มีอยู่มากแถมยังมีการยกครอบรูและพื้นูงที่มีจมูกไม่พอกับการหายใจมาอาศัยบิดามารดาพอได้หายใจสืบต่อไปยังมีอยู่ไม่น้อยและอาจมีเกินจานวนบัญชีของโลกที่จะทําสถิติไว้แต่ไม่มีใครสนใจทาเพราะเป็นเรื่องภายในคือระหว่างบิดามารดากับบุทิดา จำต้องปฏิบัติต่อกันแต่ไหนแต่ไรมาจึงน่ากราบไหว้บูชาคุณของท่านผู้เต็มไปด้วยพรหมวิหารราวทองฟ้ามาหาสมุทรสุดที่จะพนานาให้จบสิ้นลงได้ที่เป็นฝ่ายอนุเคราะห์เลี้ยงดูตลอดมาโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองและความอดตายของตนเอาเลยเมื่อเรื่องบิดามาดากับบุ ธ, ธิดาเคยเป็นมาอย่างนี้ประจำแผ่นดินอย่างแยกไม่ออกแล้วพวกเราชาวบุตริดาผู้เห็นแก่ได้ ลายความรู้สึกสำนึกตัวในพระคุณท่านจะไปหาคนสำคัญของโลกที่ไหนกันจึงจะเจอสมดังมโ น, โนคิดที่เคยวาดภาพข้ามศรีรษะท่านไปมาแต่ไม่ได้หหนระลึกว่าท่านคือบุคคลเช่นไรและมีความสำคัญต่อเราอย่างไรบ้างแม้ในปัจจุบันของบุต ธ, ธิดาที่เป็นอยู่เวลานี้ทั้งที่อยู่กับท่านทั้งที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและนอกประเทศทุกเพศทุกวยัย ซึ่งล้วนอยู่ในความรับผิดชอบที่ท่านจะต้องอนุเคราะห์ด้วยความรักเอนดูอย่างบริสุทธิ์ใจและเต็มภูมิที่เป็นบิดามารดาของบุตริดาทั้งคนไม่บกพร่องทางน้ําใจแม้สมบัติเครื่องสงเพะจะมีบกพร่องบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะไม่ใช่น้ามาหาสมุทรจะให้มีสมบูรณ์อยู่ตลอดไปย่อมไม่ได้ถ้าพวกเรายังมองไม่เห็นค่าแห่งความสําคัญและคนสําคัญในตัวท่านก็ควรมองย้อนหลังมาดูตัวเรา โดยเริ่มแต่ตาหูจมูกรินกายใจไปในอวัยวะทุกส่วนภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างของร่างกายตลอดความเป็นอยู่เรื่อยมาจนถึงความก้าวเข้าสู่ขันก่อความรําคาญจนกลายเป็นความทุกขทรมานแก่ท่านรายหนึ่งหงดเดินบ้าง9เดินบ้าง10เดินบ้างที่สร้างเนื้อสร้างตัวโดยอาศัยเลือดเนื้อของท่านทุกหยดทุกหยาดเป็นเครื่องมือสร้างบ้านเรือนคือร่างกาย จนปรากฏขึ้นเป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวขึ้นมาพออิ่มตัวสมควรเป็นคนได้แล้วก็แหวกช่องออกมาจากคันโดยไม่ได้คำนึงนึกคิดว่าใครจะลำบากจะเป็นจะตายเพราะการแหวกทางออกมาของเราตัวเล็กๆแดงๆ แ, แต่กองทุกข์ที่สร้างให้คนอื่นคือมาดาในขณะนั้นมิได้เล็กสมตัวเลยจนมาดาแทบจะเอาชีวิตชีวาวไว้ไม่รอดบางรายต้องจอดจมไปเลยก็มีเพราะเหลือจะทน นอกจากการสร้างตัวอยู่ในคันด้วยเลือดเนื้อของมารดาแล้วพอตกคลอดออกมายังต้องอาศัยมารดาบิดาตลอดผู้เกี่ยวข้องอีกมากมายมาช่วยสร้างชีวิตจิตใจให้อีกคือการเลี้ยงดูทุกอย่างที่แสนทุกข์ลำบากอันเกี่ยวกับตนจนถึงปัจจุบันบัดนี้เราพอจะนึกออกกระมังว่าอัตภาพร่างกายตลอดความเป็นอยู่สืบเนื่องกันมาของเราทุกส่วนนี้เราได้มาจากไหนใครให้เราและใครช่วยรักษาเราจึงปลอดภัยมาถึงบัดนี้ ท้งนี้คือคุณพ่อคุณแม่นันแลเป็นผู้สละชีวิตแทนและเลี้ยงดูเรามาจนถึงปัจจุบันนี้เท่าที่พนานาชีวิตร่างกายพร้อมครึ่งบำรุงส่งเสริมเพียงแต่ละคนที่ได้รับจากท่านตลอดมาถ้าคิดเป็นราคาค่า ง, งวดในบรรดาสิ่งที่ท่านมอบให้เปล่าด้วยน้ำใจนั้นล้วนเป็นสิ่งที่จนใจและสุดวิสัยที่จะหาได้ในที่อื่นใดเช่นตาหูจมูกเป็นต้นแต่ละส่วน ล้วนไม่มีซื้อขายกันตามห้างร้านต่างๆทั้งในและนอกประเทศทั่วโลกไม่มีเลยแม้ส่วนหนึ่งซึ่งควรจะถือเป็นของจริงอันดั้งเดิมที่เราได้มาจากท่านเพียงวัตถุเครื่องสงเคราะห์เรียงดูบุตรธิดาแต่ละคนนับแต่เริ่มแรกมาจนบัดนี้จะมีจนวนมากมายสักเท่าไร่ถ้าเป็นสิ่งที่ควรออกร้านขายดังสินค้าทั่วๆไปก็คงนา ม, มาบรรจุได้เต็มห้างร้านใหญ่ๆหลายห้างร้านพอดู สิ่งทั้งนี้จะมีใครบ้างพอมีน้ําใจมายอมเสียสละให้เราโดยไม่คิดค่าตอบแทนเลยนอกจากบิดามาดาทั้งสองนี้เท่านั้นยังไม่เคยเห็นมีท่านผู้หนึ่งผู้ใดมารับอาส า, าทำหน้าที่แทนได้เลยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและสลดสังเวชตัวเราอย่างยิ่งที่อาศัยเลือดในโหัอกท่านซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนอย่างยิ่งทั้งสิ้นมาเป็นชีวิตจิตใจของตัวจนเป็นเราเป็นท่านหมาด้วยกันทั้งโลก ควรจะมองเห็นความสำคัญตลอดคุณสมบัติอันล้นค่าของท่านว่าเวลานี้ปรากฏอยู่ที่ร่างกายจิตใจของเราและเรากำลังนั่งทับนอนทับหายใจทับคุณของท่านอยู่ทุกขณะนี้แหละหาได้อยู่ในที่อื่นใดไม่ก็การสารวจตนมาแต่ต้นกำเนิด จ, จนถึงปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรอย่างประจักษ์ใจแล้วจะต้องรู้สึกสานึกในพระคุณของท่านอย่างถึงใจว่านี้คือผู้บังเกิดกล้าวซึ่งหาได้เพียงคนเดียวในโลก นี้คือผู้ประกันชีวิตของบุทธิดาทั้งมวล น, นี้คือคนสําคัญของโลกมาก่อนใครๆนี้คือแบบพิมพ์ของโลกที่ได้กําเนิดที่ให้กําเนิดทั้งทางร่างกายและหลักวิชาแขนงต่างๆไม่มีประมาณที่บุตธิดาได้ยึดถือสืบทอดกันมาไม่มีที่สิ้นสุดคือบุทรธิดาทั้งโลกความสําคัญมารวมอยู่ที่บิดามารดาเป็นผู้วางรากฐานให้เพื่อข้าวต่อไปในอนาคตจึงควรปรงใจลงน้อมบูชาพระคุณของท่าน ด้วยความเคารพรักอย่างถึงใจไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ด้วยอุบายวิธีข้อแก้ตัวใดๆคําว่าบิดามารดานี้เป็นคําที่ควรสะดุดสะเทือนใจอย่างยิ่งในวงบุตรธิดาทั่วๆไปเพราะเป็นนามของท่านผู้บังเกิดเกล้าและเลี้ยงดูมาแต่วันกําเนิดเกิดเป็นเราเป็นท่านมาถึงปัจจุบันนี้ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ตกอยู่ในความเป็นหนี้บุญคุณท่านเช่นเดียวกับบุตรธิดาทั้งหลายจึงได้พยายามอธิบายตามหลักธรรม อันเป็นแนวทางระลึกถึงพระคุณและทำการสนองตอบท่านเพื่อเป็นการล้างบาปออกจากตัวเสียบ้างพอให้เบาบางลงเวลาตายไปไม่ได้ไปแออัดกันอยู่ในนรกและเหมาไฟนรกเป็นของตัวเสียหมดส่วนจะสามารถลบล้างหรือถอนมาดาบาปน้อยใหญ่ที่ต่างคนต่างทำให้ท่านได้รับความลำบากทรมานมาเป็นประจำนั้นรู้สึกจะเกินความคาดหมายของบุตรธิดาแต่และคนจะสามารถลบล้างให้หมดได้ เพราะมีมากมายจนท่านและบุรธิดาก็ไม่สามารถจะจดจำได้นอกจากจะรมยอดพอรู้เขาไว้บ้างเท่านั้นคือนับแต่ขณะที่9้าวเข้าสู่คันมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าคิดเป็นนาทีชั่วโมงวันเดือนปีจะได้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีและในนาทีชั่วโมงและวันเดือนปีนั้นๆผู้เป็นบุรธิดาได้เริ่มทาความรมาคาญให้ท่านกี่ครั้งอะไรบ้างแม้ในขณะอยู่ในคัน ก็ยังต้องมีการแสดงตัวก่อกวนเป็นระยะระยะยิ่งขันแก่ขึ้นมากเท่าไรธารกตัวแดงๆก็ยิ่งแผลงฤทธิ์ขึ้นเป็นลำดับวันเวลาหนึ่งหนึ่งหลายครั้งกว่าจะถึงเวลาตกคลอดออกมาซึ่งน่าจะสร้างนรกให้มารดาได้มากหลุมพอดูเวลาออกมาแล้วก็ยิ่งเริ่มแสดงฤทธิ์ในท่าต่างๆไม่มีประมาณโดยเจ้าตัวหารู้ไม่ว่านั่นคือการก่อกวนผู้อื่นคนอื่นมีบิดามารดาเป็นต้นต้องหมุนตัวตามอาการที่แสดงออก เหมือนเครื่องจากเครื่องจนตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนยังต้องวิ่งวุ่นอยู่ทนองนั้นบุธิดาแต่ละคนทั้งเวลาอยู่ในคันทั้งเวลาออกนอกคันมาแล้วขณะที่ยังเล็กจะต้องมีการแสดงต่างๆตามประษาของตนซึ่งล้วนเป็นการเขย่าก่อกวนหัวอกบิดามารดาและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นกังวลวุ่นวายไปด้วยทั้งนั้นพอเริ่มรู้คว่ามาบ้างก็เริ่มก่อกวนไปอีกทางหนึ่งต่างๆกัน พอให้ท่านไม่มีความสงบสบายใจได้อยู่นั่นเองความเติบโตของเด็กแต่ละคนกับความเติบโตของเรื่องต่างๆซึ่งจะกวนสมองบิดามารณ น, า น, นรู้สึกจะเป็นเงาเทียมตัวเพียงเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กทั่วๆไปที่มีขอบเขตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบิดามารดาเท่านั้นก็พออดอทนแต่แถมยังแอบมีเรื่องพิสดารที่คาดไม่ถึงและมากตามจํานวนของบุตรธิดาที่มีนิสัยต่างๆการสร้างเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งแต่และเรื่องคงมีอำนาจให้สันสะเทือนไปทั้งครอบครัวและน่าใจหายทั้งนั้นสิ่งทั้งนี้ล้วนอยู่ในขายที่บุตรธิดาจะรวมตัวทําได้ถา้าไม่ได้ศึกษาอบรมขนบประเพณีและศีลธรรมมาเท่าที่ควรและเป็นสิ่งที่ต้องไหลลงรวมทะเลใหญ่คือบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบกอบกู้และแบกหามทั้งนั้น เมื่อรวมเวลาที่บุตธิดาแต่ละคนที่เกิดมาสร้างความลาบากและแสนกังวลให้ท่านนับแต่ต้นจนบัดนี้จะมากมายเพียงไรและใครไม่สามารถนับอ่านได้พอจะประมวลมาชาระร่างให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิงไม่ตรงมีบาปกรรมติดตัวบุตธิดาที่เรียกว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านอีกต่อไป <c oughs> ความเป็นมาทุกๆแขนงแห่งอัตภาพร่างกายและจิตใจของบุธิดาแต่ละคน ยอมเป็นมาจากความกระทบกระเทือนต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้เป็นบิดามารดาอย่างสุดจะพรรณน า, นาแต่ไม่มีบิดามารดาของบุตรธิดาคนใดสนใจนํามาเป็นอารมณ์แม้ชีวิตจะเสียไปด้วยเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับบุตรธิดาก็ยอมสละไปเลยประหนึ่งไม่มีราคาเปรียบเหมือนผักปลาฉะนั้นคุณค่าแห่งน้ําใจและอื่นๆที่ท่านยอมเสียสละต่อบุตรธิดาทุกคนจึงเป็นคุณธรรมที่มีค่ามหาศาล ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบเทียบได้แม้จะพน า, นาถึงพระคุณของท่านจนนับเป็นกับกันก็ไม่มีทางจบสิ้นลงได้ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าแม้จะเอาน้ำในมหาสมุทรทุกหยดทุกหยาดมาเป็นน้ำผสมหมึกเอาดินทั้งแผ่นมาเป็นหมึกละลายน้ำเอาขาวพระสมณทั้งลูกมาเป็นด้ามปากกา <c oughs> เอาทองฟ้าอากาศเป็นหน้ากระดาษมาเขียนพน า, นาพระคุณของท่านกระทั่งผู้เขียนตายไป ผู้ใหม่มาเขียนแทนสืบต่อกันไปทนองนี้ตลอดอนันตการจนหมดน้ำผสมหมึก <c oughs> ในมหาสมุทรหมดดินทั้งแผ่นที่มละลายทําเป็นหมึกหมดท้องฟ้าอากาศไม่มีช่องว่างที่จะเขียนต่อไปหมดเขาพระสุมเมนทั้งโลกูกที่นํามาทําเป็นด้ามปากกาแต่พระปรุขของบิดามารดายังพนานาไม่จบด้วยยุติลงด้วยการสุดวิสัยที่จะหาอะไรมาบันทึกต่อเพื่อความเส้นสุดแห่งพระปุุ เมื่อพระคุณของท่านมีมากมายจนไม่สามารถจะพนานาดังที่เห็นอยู่ชาวบุตธิดาเราจึงควรสลดใจและเห็นโทษของตนที่สนุกชี้เอาทวงเอาเถียงเอาขัดเอาอย่างใจเต่นตัวเอาร้องไห้เอาบังคับเอาสิ่งต่างๆที่ตนต้องการแม้ไม่ควรโดยไม่สำนึกกระดากอายเลยซึ่งล้วนเป็นวิถีทางเดินของนายเลวซามปฏิบัติต่อเบาที่ดีทากันไม่ใช่เป็นทางดำเนินของบุตธิดาที่ดีจะนามาใช้ต่อผู้บังเกิดกล่าเลย บุตธิดาเกิดมาพบชีวิตร่างกายลมหายใจที่เต็มไปด้วยเครื่องบำรุงบำรเรอต่างๆทั้งเก่าและใหม่ทั้งหายากและหาง่ายทั้งมาจากที่ใกล้และที่ไกลทั้งมาจากไหนและนอกประเทศทั้งราคาถูกและราคาแพงแพงจนประมาณไม่ได้จากบิดามารดาที่ทุ่มเทชีวิตสแสวงหามาด้วยความเหนื่อยยากได้มีความรู้สึกพอจะเป็นเครื่องสะดุดใจบ้างหรืออย่างไรถ้าเป็นสิ่งที่บุตธิดานำมาเพื่อสนองตอบท่าน ด้วยน้ำใจที่รักและเห็นคุณอย่างซาบซึ้งเช่นเดียวกับท่านที่มีต่อเราท่านคงจะมีความรักเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษชนิดถึงใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งจะรักทั้งจะห้ามทั้งจะสงสารและสลดใจไม่อยากให้บุตรธิดาขวนขวายให้มากไปกลัวจะหมดจากตัวของบุตรธิดาเองถ้าผู้มีครอบครัวแล้วก็กลัวจะหมดจากลูกและสามีภรยาเขาท่านยิ่งคิดถึงลูกๆมากกว่าจะคิดถึงตัวท่านเอง แม้จะอยู่ในฐานะที่ยากจนอยู่บ้างแต่คงทํำไม่ลงปรงไม่ตกที่จะให้ทําแก่ท่านอย่างฟุ่มเฟยนี่เป็นปกติวิสัยของบิดามารดาทั้งหลายท่านมีความรู้สึกต่อบุตรธิดาอย่างนี้ตลอดมาส่วนบุตรธิดาที่เป็นฝ่ายรับและฝ่ายทวงมาเป็นประจำจนติดนิสยัยได้คิดถึงน้ําใจและความเสียสละของท่านบ้างเพียงไรถ้ายัางก็ควรจะเริ่มคิดบ้างว่าท่านมีน้ําใจกว้างกวางและลึกซึ้งเพียงไร เวลาเลี้ยงก็แสนยากไม่มีอะไรเลี้ยงยากเท่าเลี้ยงคนคือบุธิดารักก็แสนรักไม่มีอะไรรักมากกิ่งกว่ารักคนคือบุธิดาเอาใจก็แสนยากตลอดมาไม่มีอะไรจะเอาใจยากเท่าเอาใจคนคือบุธิดาที่แสนงอนมาแต่กําเนิดแม้จะโตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแต่นิสัยที่แสนงอนที่เคยฝังใจมาแต่เล็กที่บิดามารดาเคยเอาใจก็ยังติดตัวมาแสดงความแสนงอนกับท่านอยู่จนได้ไม่นึกละอายแฟนหนุ่มแฟนสาวบ้างเลย หรือเข้าใจว่าแฟนๆเหล่านั้นต่างคนต่างก็มีเจ้าแสนงอนซึ่งเคยได้รับความตามใจจากบิดามารดาอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกันจึงไม่นึกละอายถ้าไม่นึกละอายแฟนๆก็ควรนึกละอายท่านผู้บังเกิดทุกผู้บังเกิดกล้าวบ้างซึ่งไม่เคยแสนงอนอะไรต่อลูกๆนอกจากจะคอยตามใจท่าเดียวท่านจะได้ดีใจและมีความสุขบ้างสักพักหนึ่งทั้งที่แบกทุกข์หนักเพราะลูกไม่มีวันปร่งวาง และจะได้มีหน้ายิ้มบ้างทั้งที่หาบหนักคือความกางังวลขวนขวายเพื่อบุทิดาอย่างตั้งอยู่บนบ่าคือดวงใจเรื่องของพิดามารดาล้วนเป็นเรื่องที่ให้ความสะดุดตาสะดุจใจแก่บุธิดายอยู่ทุกการสถานที่แทบเป็น ม, มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าออกได้โดยไม่ให้สะดุดพระคุณของท่านแต่พวกเราที่เป็นนี่บุญคุณท่านอยู่โดยธรรมชาติมากจะทนงตนโดยไม่รู้ตัวอยู่ภายในเหมือนเป็นนายบุญนคุณท่าน อย่างเห็นได้ชัดด้วยการแสดงออกต่อท่านแทบทุกอาการซึ่งเจ้าตัวก็มิได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นลทัทธินิสัยของบุตรีดาแทบทุกคนจะต้องแสดงออกในทานองเดียวกันฉะนั้นความเกรงอกเกรงใจและความละอายท่านจึงรู้สึกมีน้อยและเป็นสาเหตุให้ประพฤติติดตัวในทางผิดปราศจากความสํานึกถึงกับจะเลยเถิดหรือระเบิดไปเลยก็มีดังที่เห็นเห็นกันอยู่ดังนั้น เพื่อการแก้ความพยศของพวกเราผู้มินิสายชอบท น, ทนงต่อท่านโดยปรยาศจากความสำ น, นึกตลอดมาจึงไม่มีทางใดที่จะดีไปกว่าการหวนระลึกถึงโทษของตัวและระลึกถึงพระคุณของท่านที่เป็นธรรมอันหาได้ยากในโลกโดยการย้อนพิจารณาตัวเองทางความเคลื่อนไหวตลอดมาแต่เป็นเด็กเล็กจนถึงปัจจุบันอาจรู้จุดด่างพร้อยที่เคยล่วงเกินต่อท่านและความไม่ดีอย่างอื่น ของตนเป็นลำดับได้ดีและพอมีทางดัดแปลงแก้ไขได้ที่เกี่ยวกับตนโดยเฉพาะก็พยายามแก้ไขไล่สิ่งที่เคยพาให้เกิดมลทินอยู่เสมอออกด้วยธรรมคือความดีงามเป็นเครื่องชําระล้างจนหมดสิ้นไปจากตัวเช่นเดียวกับการซักผ้าด้วยผงซักฟอกต่างๆจนหมดมลทินในเนื้อผ้าฉะนั้นที่เกี่ยวกับท่านก็พยายามดัดแปลงแต่งนิสัยให้เป็นบุธิดาที่น่ารักเอ็นดูของท่านผู้เป็นบิดามารดา บุตรธดาที่เชื่อฟังคำบิดามารดาไม่ค่อยล่อดแหลมต่อความเสียหายและหน้าวาเสียวทั้งยังมีทางเจริญก้าวหน้าโดยลําดับฉะนั้นความเคารพเชื่อฟังบิดามารดาจึงเป็นคาแพงที่มั่นคงกั้นความเสียหายได้เป็นอย่างดีและความเคารพเชื่อฟังนี่แหลเป็นคุณเครื่องสนอมตอบแทนคุณที่เหมาะสมและถูกตามความประสงค์ของท่านอย่างแท้จริงเพราะตามธรรมดาของบิดามารดาแห่งบุตรธิดาทั่วไปมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะให้บุตรธิดาของตนเป็นคนดี ในทางความประพฤติเพราะเป็นจุดแห่งความเจริญที่โลกต้องการตลอดมาส่วนความมั่งมีดีเด่นในทางอื่นๆนั้นท่านถือว่าต้องอาศัยความประพฤติเป็นรากฐานสําคัญรับรองไว้จึงจะอบคุณชุ่มเย็นและจีรังถาวรคือทรงตัวอยู่ได้ตลอดกาลนา น, บ, นรบรรพบุรุษทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นท่านมีความฉลาดแหลมคมมากรู้จักจุดที่เสื่อมและจุดที่เจริญของโลกว่าขึ้นอยู่กับจิตใจที่ได้รับการเสี่ยมสอนในทางที่ผิด และได้รับการอบรมในทางที่ถูกท่านจึงนิยมความประพฤติว่าเป็นสิ่งสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดซึ่งก็เป็นความถูกต้องอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยแม้พระพุทธภาษิตก็ตรัสรับรองไว้เป็นใจความว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจผู้บังการได้รับการอบรมดีความประพฤติการงานทุกด้านย่อมดีไปตามๆกันถ้าใจชั่วเพราะขาดการอบรมสิ่งที่ใจเป็นผู้พาดำเนินย่อมเลวไปตามๆกัน ดังนั้นความประพฤติตัวดีจึงจัดเป็นเยี่ยมในตัวของบุคคลตามหลักความจริงการศึกษารู้มากน้อยก็เพื่อความประพฤติดำเนินให้ถูกตามหลักวิชาซึ่งเป็นที่รับรองความถูกต้องดีงามมาด้วยดีแล้วแต่เมื่อรู้แล้วไม่ทําตามก็ไม่เห็นมีดีกรีอะไรที่นาชมนอกจากจะถูกตำหนิว่าความรู้ท่มหัวแต่ประพฤติตัวเหลวแหลกเท่านั้นไม่มีใครเขาชมว่า ด, ดีหืนไปชมเข้าโลกก็แตกอย่างไม่มีปัญหาด้วยเหตุนี้ บิดามารดาท่านจึงม่ได้หวังเอาอะไรจากลูกๆที่จะนําสิ่งต่างๆไปสนองตอบแทนนอกไปจากความหวังอยากให้ลูกๆเป็นคนดีเราผู้อันท่านรับรองชีวิตจิตใจมาได้เป็นผู้เป็นคนจึงควรสำนึกตนเพื่อความเป็นคนดีพยายามดัดจริตนิสยัยและความประพฤติที่เป็นเส้นหนามทิ่มแทงตัวและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความไม่สงบสุขให้สิ้นไปชื่อว่าเราได้สนองตอบท่านด้วยความดีอันเป็นคุณธรรมที่มีค่ามาก กายกับใจเป็นสมบัติของเราเองเราต้องรับผิดชอบของเราโดยถูกทางอย่าพากายกับใจเข้าดงพงลึกเวลาเกิดข้าศึกขึ้นกับตัวจะไม่มีทางหลบหลีกและถอนตัวดังคนที่ถูกคุมขังนอกจากตั้งนาสวยกรรมแล้วไม่มีสวรรค์วิมานและอาหารทิพย์ใดให้เขารับสวยพอจะมีความสุขความเบาใจบ้างเลยซึ่งควรสลดใจอย่างยิ่งที่เขียนเรื่องมาตาปิฎุอุปทานธรรมมาก็รู้สึกว่ามากพอควร แต่จะมีสาระเพียงใดนั้นไม่แน่ใจนักสําหรับผู้เขียนนอกจากท่านผู้อ่านจะสนใจเท่าที่ควรก็ น, น่าจะได้รับประโยชน์เพราะทำนี้เป็นธรรมปราศจากโทษได้เป็นธรรมพร้อมที่จะอวยประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจและดําเนินตามโดยถ่ายเดียวจึงขอฝากบิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวไว้กับท่านที่เป็นบุตรธิดาทุกๆ ท, ท่านได้อุปถัมภ์บำรุงด้วยวัตถุที่ชอบทำและความประพฤติอันดีงามเพื่อเป็นการบูชาสนองตอบท่าน จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองและเทิดทูนวงศ์สกุลให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปและขอร้องท่านทั้งหลายว่าการุณาใช้วิจารณญาณมองหน้ามองหลังลดีดีก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาทิศใดทางใดหรือจะทําอะไรอะไรทั้งนั้นโปรดพิจารณาโดยละเอียดทีท้วนก่อนค่อยเริ่มในสิ่งนั้ น, น, นจะเป็นมงคลและเป็นความรอบครอบแก่ตัวท่านเองเพราะระยะนี้กําลังเข้านาสิวนากวานถ้าพลาดแล้วจะเสียคนและตกต่าจนไม่มีวันฟื้นได้ แม้จะเสียอะไรก็ตามเถิดเพราะเราเคยได้เคยเสียมาแล้วไม่พอล่มพอจมแต่การเสียคนคือตัวเราไม่มีใครปรารถนาและชมว่าดีเพราะเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่คนของท่านคือคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งอยู่ในข่ายแห่งความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียวควรรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ฉะนั้นคนของท่านจะบินหนีคือความดีจะพลากจากจะเหลือแต่ซากผีดิบซึ่งไม่มีคุณค่าอันใดไปที่ไหนใครก็กลัวและเกลียดชัง ทั้งหญิงชายและหนุ่มสาวเท่าแก่ไม่อยากเข้าใกล้ชิดและให้ความสนิทสนมถ้าเป็นผู้ชายก็หาเมียยากนอกจากหญิงซากผีไม่มียางอายและความดีติดตัวจะมาเกี่ยวข้องซึ่งเข้าในลักษณะคนตาบอดได้แว่นตาดำที่ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากคนเขาจ้าพุรยะย่อเอาเท่านั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็หาผัวยากไม่มีใครเขาเหลียวมองพอให้เสียเวลานอกจากชายเหลือเดนเหมือนคลุ้งคบกับใครไม่ได้ คนเกลียดชังกันทั้งเมืองเท่านั้นจะมาใกล้ชิดติดต่อและเป็นคู่ทนทุกทรมานเข้าในลักษณะว่าต่างคนต่างตาบอดจูงกันผลก็คือต่างคนต่างจอดต่างคนต่างจมต่างคนต่างงมทุกในทะเลมืดไม่มีวันพ้นได้ซึ่งเป็นที่น่าขยะแขยงเอานักหนาเรื่องบิดามารดากับบุตรดาแต่ละคนของแต่ละครอบครัวรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่โตและนหนักงงทวงใจมากที่น่าเห็นใจผู้เป็นบิดามารดา หากไม่ถือเป็นเรื่องหัวอกของตนที่มีความรักความผูกพันอย่างสุดใจแล้วไม่ว่าบิดามารดาคนใดคงจะอิจฉาระอาใจและเบื่อหน่ายต่อ ง, งานคือการเลี้ยงดูที่แสนทุกข์รำคาญนี้กันทุกคนและอาจจะเค็ดหลาบต่อ ง, งานที่ทําให้ชอกชำ้ำและกวนใจนี้ถึงกับไม่ปรารถนามาเกิดในโลกที่มีงานประเภทที่เบือ่อเต็มประดานี้อีกต่อไปก็ได้เพราะงานนี้มีแต่ทุ่มเททางเหตุคือกําลังและทรัพย์สมบัติทั้งปวงลง อย่างไม่คิดถึงชีวิตจิตใจว่าจะมีจะจนจะลําบากยากเข็นจะเป็นหรือจะตายอย่างใดเลยมีแต่มุ่งเพื่อความสุขและความเจริญเติบโตของลูกๆท่าเดียวเท่านั้นที่เด่นมากที่สุดในหัวใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ส่วนความเจริญอืนอ่นๆซึ่งอยู่ในข่ายแห่งการพิจารณาของพ่อแม่ก็ค่อยขวนขวายกันไปตามสมควรแก่การและวัยของเด็กทั้งนี้ล้วนเป็นการทุ่มเทเหตุเพื่อผลแก่บุตรธิดาโดยเฉพาะ ไม่ได้คำนึงผลเพื่อท่านผู้เป็นบิดามารดาเลยจึงเป็นภาระที่ควรจะเรียกได้ว่างานที่เต็มไปได้วยเหตุแต่ผลไม่แน่นอนไม่เหมือนงานอื่นๆที่ทําแล้วมีมุ่งผลและเห็นผลตอบแทนประจักษ์เป็นระยะไปแต่งานนี้รู้สึกมีแต่ใจว่าวุ่นขุมัวอันเป็นผลให้บิดามารดาได้รับเป็นประจำและเป็นงานประจําตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนแม่นอนกําลังหลับเพลินสบายสบายก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทํางานคือเวลาลูก ร้องไห้แม่ต้องตื่นขึ้นมาดูแลลกูกกำลังหิวกระหายจนใจจะขาดก็ต้องทำงานกำลังรับประทานก็ต้องทำงานคือมืออ um ุ้มลูกอยู่บนตักทั้งที่กำลังรับประทานอิ่มก็ต้องทำงานกำลังหลับก็ต้องทำงานคือเอาลูกนอนด้วยตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องทำงานนี้ก่อนงานอือน่นๆแม้ที่สุดกำลังจนจนไปเที่ยวขอทานตามบ้านหรือตามตลาดก็ต้องทำงานคือต้องอ um ุ้มลูกไปด้วยบางครั้งตัวกำลังจะเป็นจะตายอยู่ แต่มือก็ต้องทำงานคือกว่าหาโลูกกลัวจะเป็นอันตรายปาก็บนถามถึงลูกคนนั้นใจก็คิดถึงลูกคนนี้แต่เป็นกังวลอยู่กับลูกคนโน้นจะทำงานชิ้นน้อยชิ้นใหญ่หรืองานขแขนงใดๆใจต้องคิดถึงลูกก่อนสิ่งอื่นพูดอย่างฟังง่ายๆเขาว่าทำงานเพื่อลูกนั่นเองเพราะลําพังพ่อกับแม่สิ่งที่จะนํามาบําบัดรักษาความเป็นอยู่ก็ไม่มากมายอะไรนักพอจะให้มีการขวนขวายมากและทุกข์มาก แต่ลูกๆมีหลายปากมากท้องด้วยกันพ่อกับแม่จำต้องบริการให้ตัวถึงโดยไม่คำนึงถึงความบกพร่องสมบูรณ์เพราะเป็นเรื่องบีบบังคับอยู่ในตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าพ่อแม่ของบุตรที่ดาคนใดต้องตกอยู่ในความบีบคั้นแบบนี้แทบทางนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นงานที่หนักและทุกข์มากมาตลอดสายความทุกประเภทนี้ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของคนมาก่อน แม้จะมีความทุกข์ลำบากเพียงไรเว้นกรณีพิเศษก็ยังไม่น่าจะจัดว่าเป็นผู้รับบาปผาบทุกข์อย่างแท้จริงต่อเมื่อได้ผ่านความทรมานจากลูกๆไปแล้วควรจะแน่ใจว่าได้เห็นทุกอย่างแท้จริงยิ่งผู้ที่มีลูกน้อยคนหรือมากคนก็ตามและมีลูกที่เกเรเกตุงผสมอยู่ด้วยแล้วพ่อแม่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์อันสับสนวุ่นวายมากขึ้นแทบจะเป็นโรคประสาทไปได้ในบางการ หรือบางรายก็อาจเป็นไปได้จริงๆเพราะเหลือที่จะทนกลั้นไว้ได้ฉะนั้นงานเลี้ยงลูกจึงรู้สึกว่าเป็นงานที่น่าเค็ดลาบเพราะเป็นงานหาบทุกล้วนๆไม่ค่อยมีสุขเจือปนบ้างเลยและอาจไม่มีพ่อแม่ของบุตรคนใดที่เคยมีลูกและเคยเลี้ยงลูกมาแล้วจะเกิดความพอใจและกล้าหาญต่อการเลี้ยงลูกปลูกโพอีกต่อไปเพราะเป็นงานซ้ำซากลำบากลําบนและแสนทุกข์กังวลไม่มีวันเบาบางและจบสิ้นลงได้อย่างง่ายดายเหมือนงานอื่นๆ เพียงงานเลี้ยงลูกก็ออกจะสุดกําลังความสามารถอยู่แล้วแถมยังมีงานปลุกโพ้พ่วงท้ายเข้าไปอีกก็ยิ่งเพิ่มภาระหนักเข้าไปจนแทบไม่มีเวลาหายใจระบายทุกเอาเลยเท่ากับปิดประตูตีแมวในห้องเราดีๆนี่เองแมวตัวถูกความจนมุมบังคับเช่นั้นจะมีอะไรของมันทะลักออกมาก็ไม่มีใครทราบได้ฉะนั้นความจนมุมแม้จะยังไ ม, ยไม่เคยเจอก็ไม่ควรเข้าใจว่าจะเป็นของดีเมื่อเจอเข้าไม่ว่าใครอาจจะเข้าในลักษณะแมวจนมุมนั่นเอง ลูกๆที่ไม่เคยเห็นความทุกข์ลาบากของพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูตนมาควรดูแมวตัวถูกติดผูกปิดประตู ด, ดัดสันดานอาจจะพอทราบได้ถ้ายังทราบไม่ได้ตัวเองลองเข้าในห้องแล้วให้คนอื่นปิดประตูดีๆและหดลงด้วยเครื่องยอมจำนวนหรือเครื่องทําความเข็ดหลับต่างๆก็ทราบได้ทันทีว่าทุกที่หาทางออกไม่ได้นั้นคือทุก์ในลักษณะที่กําลังเผชิญอยู่ขณะนี้เองคําว่าปลูกโผลนั้น คือภาระอันหนักในลําดับต่อไปที่พ่อแม่จะต้องรับอย่างหลีกไม่ได้ได้แก่การอบรมสั่งสอนลูกให้มีความรู้ความฉลาดสมกับคำว่าโปรโพซึ่งถ้าเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ก็หมายถึงความตรัสรู้ธรรมเป็นจอมปราดถ้าเป็นคุณสมบัติของสามัญชนก็หมายถึงความรู้ความฉลาดในวิชาการต่างๆที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ต้องอาศัยเด็กของเราถ้าให้ รับประธานแล้วปล่อยให้เล่นครุกฝุนอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนเฉยๆื่อได้รับการศึกษาอบรมก็จะเป็นคนโง่ตลอดไปคนโง่ะจะทําอะไรอะไรก็ไม่เกิดผลเท่าที่ควรและไม่ทันกับโลกเขาสิ่งที่เหลือเดินเขาแล้วคนโง่ถึงจะได้เป็นเจ้าของงานทุกประเภทต้องอาศาัยความฉลาดเป็นหลักประจําเมื่อขาดไปก็จะมองเห็นความบกพร่องของผลงานทันทีมากกว่านั้นผลของงานก็กลับมาหลอกตัวเองและผู้อื่นซึ่งล้วนไม่ใช่ของดีทั้งสิน้น สัตว์โง่ก็ไม่น่าดูคนโง่ก็ไม่น่าชมฉะนั้นความโง่จึงเป็นสิ่งที่น่าระวังเมื่อมีทางพอแก้ไขได้เพราะไม่เคยเอํานวยประโยชน์พอจะควรชมเชยแต่อย่างใดด้วยเหตุดังกล่าวนี้แลที่พ่อแม่จะต้องยอมรับความหนักใจไร้สุขเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนลูกๆเพื่อความฉลาดจนสุดความสามารถจากนั้นก็ส่งเข้าโรงเรียนเพื่อผู้อื่นช่วยอบรมสั่งสอนให้เบามือลงและเป็นการเริ่มความรู้ความฉลาดให้แก่เด็กอีกทางหนึ่ง ที่เรียกว่าปลูกโพคือปลูกความรู้ความฉลาดให้แก่เด็กเวลาโตัขึ้นพ่อแม่ก็เบาใจไม่มารบกวนให้ต้องพลอยหนักใจด้วยอยู่เสมอปุถิดาที่เป็นฝ่ายเอาเปรียบบิดามาดาตลอดมาควรทําความระลึกและทําการแก้ตัวเพื่อปลดเปลื้องนี่ด้วยการประพฤติดีเยี่ยงบุตรที่มีพ่อแม่เป็นเจ้าของและคอยประคับประคองตลอดมาจะทําสิ่งใดควรคํานึงถึงความผิดถูกเสมอทุกๆ ก, กรณี โปรดระวังอย่านำอัตตาธิเบไตยคือถือความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเป็นใหญ่ทางความประพฤติและกิจการทุกอย่างมันจะมาทําลายล้างผลสิ่งที่เป็นธรรมคือความถูกต้องดีงามให้บรรลัยหาหยสูญไปหมดไม่ปรากฏความดีเหรือติดตัวจะเสียทั้งตัวเราเสียทั้งน้ําใจคือความหวังของท่านที่เป็นบิดามารดาซึ่งเลี้ยงมายากโตขึ้นมาแล้วแทนที่จะเป็นเครื่องตอบแทนความหวังพอให้เย็นใจหาย ห, ห่วงแต่กลับขาทุนสูญลูกไปทั้งคน ที่กลายเป็นเหยื่อแห่งความชั่วตัวภัยจึงโปรดทําตัวให้สมกลับเป็นลูกทั้งคนและได้รับการปรนิบัติเลี้ยงดูด้วยข้าวป้อนน้ํานมขนมนมเนยเครื่องบํารุงรักษาซึ่งล้วนเป็นของดีๆมีราคามากสมชาติแห่งมนุษย์บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยวาสนาบุญญาพิสมภานแม้เราผู้ได้รับสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์จะไม่ทราบด้วยยาณวิถีเหมือนสับพัญยูาศาสดาสอนโลกแต่ก็ควรภาคภูมิใจในผลบุญของเรา ที่ได้ก่อสร้างไว้อย่างพอเพียงผลจึงทำให้เราเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้นี่คือผลบุญของเราแท้ไม่สงสัยว่าใครจะมายินยอมเสียสละสิ่งที่มีคุณค่ามากขนาดมนุษยสมบัติยกให้เราส่วนตนยอมเป็นคนหมดหวังนั่งกอดทุกข์ดังนี้จะไม่มีในไตรโลกธาตุคือแด่สมุติอันนี้ดังนั้นจึงควรอบอุ่นในวาสนาของตนและพยายามรักษาส่งเสริมร่างกายจิตใจที่ได้มาด้วยบนนี้ให้ดาเนินไปในทางที่ชอบ เมื่อได้ยินคําของพ่อแม่ท่านว่าอย่าอย า, ยาเรารีบเหยียบเบรกคือรังสติทันทีอย่าฝ่าฝืนท่านนั่นคือโอวาทของพรมท่านสอนบุตรธิดาของท่านไม่ใช่เสียงสัตว์นรกตัวปลิ้นปล้อนหลอกกลวงมาหลอกต้มเราแต่นั่นคือโอวาทที่บริสุทธิ์ของท่านมอบให้บุตรธิดาของท่านต่างหากเพื่อรับเอาไปประดับตัวและเทิดเกียรติท่านโปรดรับเอาทั้งเครื่องบํารุงร่างกายคืออาหารทั้งเครื่องบํารุงรักษาจิตใจคือโอวาทคําสั่งสอนจากท่าน เราจะเป็นคนดีโปรดเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่ไม่มีส่วนเสียหายเพราะออกมาจากใจเมตตาที่บริสุทธิ์ล้วนหากจะมีบ้างก็อาจเป็นเพราะความสับสนซึ่งอาจมีได้ในกรณีเช่นนั้นแม้เราจะเรียนปรึกษาท่านก็ยังได้ผู้เขียนขอร้องท่านที่เป็นบุตธิดาโปรดรับเอาโอวาทท่านไปประดับตนคือกายวาจาใจจะเป็นผู้สงบสงเงียมสวยงามและเด่นในปวงชนทางมารยาและศีลธรรมขอย้ำอีกครั้งว่า ความคึกขนองน้ําล้นฝั่งที่อยู่ในดวงใจของท่านเองนั้นอย่าเผลอตัวให้มันจุดลากพาเราออกเที่ยวเพ่นพ่านเดี๋ยวมันจะจุดลากเอาวาจาเราออกไปพูดเพ่นพ่านไร้สาระด่าไปเดี๋ยวมันจะจุดลากเอากายเราออกไปประพฤติเพ่นพ่านเพื่อผลาญความดีเสียหมดแล้วมันจะจุดลากเราไปเที่ยวตรอกนั้นซอยนี้โรงนั่นโรงนี้ไม่ยอมให้ยับยั้งชั่งตวงดูเหตุผลดีชั่วที่กําลังเกิดกับตัวพอได้ย่างใจมันทุกอย่างแล้ว มันจะลากเข้าโรงผีดิบคือตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่าเพราะเห็นว่าเราหมดตัวจริงๆแล้วมันจะปล่อยทิ้งไว้ให้เราสเสวยคาชั่วของตัวแต่ผู้เดียวส่วนมันไม่ยอมเหลียวมองเราเองก็มีแต่นิ่งแน่ไปเลยถ้าเป็นสัตว์ก็เพียงกระดิกได้แต่หูส่วนร่างกายหมดกำลังต้านทานเสียสิ้นแล้วฉะนั้นจึงโปรดระวังให้มากกับเรื่องพันนี้สมบัติในโลกไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวเรา จงประคองด้วยดีอย่าให้พลาดทาเสียทีด้วยความชั่วช้าลามกถ้าพลาดไปแล้วจะเกิดใหม่เพื่อแก้ตัวไม่ได้เพราะเราเป็นคนไม่ใช่ตุกตาพอจะปั้นอมใหม่ได้และโปรดฟังให้ถึงใจจริงว่าความชั่วอะไรชั่วเป็นไม่ดีทั้งนั้นเพราะเป็นที่รวมลงแห่งความทุกข์สิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งมวลจึงไม่ควรให้คําว่าชั่วกลับกลายมาเป็นเราจะไม่มีโรคอยู่แต่จะเป็นไฟไปหมดทั้งร่างกายจิตใจ อันหนึ่งคำว่ากล่าวของพ่อแม่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่างยิ่งควรทำความเคารพและนับถือเป็นหลักใจอย่างสําคัญจนวันอวสานจะหลงลืมอะไรก็พอทําเนาแต่โปรโดอย่าหลงลืมคุณและคําสั่งสอนอบรมของท่านจะเป็นผู้เจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตเคยเห็นลูกที่ไม่เชื่อฟังคําอบรมของพ่อแม่โดยมากมักเอาตัวไปไม่รอดจะมีความรู้ความฉลาดเพียงไรก็มีช่องโหวพายให้เสื่อมซามจนได้ ท้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการลืมตัวและการวางตัวก็ไม่อาจทราบได้แต่ผู้ที่เชื่อฟังท่านปรากฏมีความเจริญโดยลำดับเวลาตกตาจนคือเวลาถึงคราวจำเป็นจริงๆโปรดระลึกถึงพระคุณของท่านที่เราเคยทำความเพื้อเฟื้อต่อท่านมาคุณนั้นจะดลบรรดาลให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ได้ปรากฏและได้เฉิดสีแล้วไม่ทราบาว่างมงายหรือมงมจริง ทั้งนี้เราเคยแน่ใจมาพอจะเป็นพยานแห่งความอาถรรพ์ให้นํามาเขียนเพื่อท่านผู้อ่านซึ่งอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันนําไปพิจารณาโดยกล้าเสี่ยงต่อคําตําหนิซึ่งอาจมีตามวิสัยของนานาจิตตังจะเขียนอย่างอื่นก็เกรงจะเป็นการโกหกจึงเขียนตามความรู้สึกจะเป็นที่สบายใจแม้อาจถูกตําหนิว่าโ ก, โกหกไม่จริงก็ยอมรับเอาตามหลักความจริงไม่ว่าสิ่งที่มีวิ ญ, ญญาณหรือไม่มีวิ ญ, ญญาณย่อมมีคุณภาพมากน้อย ตามชนิดอยู่ในตัวของมันเช่นไม้ที่มีชนิดและคุณภาพต่างๆกันย่อมมีประโยชน์อยู่ในตัวของมันผู้สนใจนํามาทําประโยชน์ก็อำนวยความสะดวให้เท่าที่ควรแก่คุณภาพของมันและความฉลาดของผู้ไปเกี่ยวข้องแทบทุกสิ่งในโลกย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้แต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่สนใจและไม่รู้จักใช้คุณธรรมมีประเภทต่างๆที่มีอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกันย่อมขึ้นอยู่กับผู้สนใจปฏิบัติรักษา คุณธรรมก็อำนวยประโยชน์แก่ผู้ น, นั้นๆตามลําดับจนไม่มีประมาณกระตันยูกระตะเวทิตาคุณที่ใครๆก็ตามเคยบําเพ็ญต่อท่านที่เคยมีคุณแก่ตนเมื่อถึงคราวจําเป็นและต้องการระลึกถึงก็ยังมีหวังได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกับสิ่งที่มีคุณภาพด้านอื่นๆถ้าเป็นเรื่องเหลวไหลพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนโลกให้ปฏิบัติบําเพ็ญตลอดมาจนถึงพวกเราได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้ปฏิบัติตามท่านอยู่ทุกวันนี้คําสั่งสอนเกี่ยวกับบุญคุณนี้ จึงมีหลักประการอยู่ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนธรรมว่าเป็นผู้ที่รู้ยิ่งเห็นจริงไม่โกหกหลอกลวงนี้เป็นจุดที่รวมหัวใจประชาชนชาวพุทธเราจึงขอเชิญท่านระลึกถึงบุญคุณท่านผู้เคยมีพระคุณต่อเราอย่าลดละมีบิดามารดาเป็นต้นวันหนึ่งได้มากๆครั้งยิ่งดีมีกำไรามากและอบอุ่นใจตลอดเวลาด้วยการอธิบายเรื่องบุทรธรามามากพอควร ท่านผู้สนใจอยากทราบคุณและโทษในเรื่องนี้ที่แสดงไว้ในลักษณะต่างๆกันก็คุรจะทราบได้พอสมควรตามที่อธิบายผ่านมาแล้วจึงขอสรุปความเรื่องบุท ธ, ธิดาที่มีหลายจำพวกลงพอให้ท่านผู้อ่านพิจารณาตามและนําไปสั่งสอนบุตรหลานของท่านตามที่เห็นควรดังนี้คือบุท ธ, ธิดาจำพวกอภิชาติบุตรหนึ่งอนุชาติบุตรหนึ่งทั้งสองนี้เป็นบุต ธ, ธิดาประเภทที่ส่งเสริมทนุบํารุงน้ําใจบิดามารดาผู้ ประคับประคองเลี้ยงดูให้มีความอบอุ่นเบาใจทั้งในเวลาปกติและเวลาเจ็บไข้ใรทุกข์ทั้งเวลาชวนตัวและวาระสุดท้ายที่จะเปลี่ยนจากความเป็นพ่อเป็นแม่กันไปสู่พบสู่ภูมิเอากำเนิดเกิดใหม่ตามกฎของวิบากซึ่งเป็นสมบัติของตนที่สร้างไว้ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังและเป็นบุตรธิดาที่ดำรงวงศุลตามจารีตระเพณีด้วยความสม่ำเสมอที่ควรจัดว่าเป็นบุตรธิดาที่ดีและถือเป็นตัวอย่างต่อไป เมืองไทยเราจะเป็นเมืองที่สง่าง า, ามด้วยระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีไปตลอดกาลปาวาสารบุต ธ, ธิดาจำพวกระชาติบุตรหนึ่งบุตรคือผู้ลอกผู้สังหารทรัพย์สมบัติของบิดามารดาจนเกลี้ยงสะอาดเหมือนเขาล่างถ้วยล่างชามหนึ่งบุตรผู้เป็นฆาตศึกคิดเลิกจากความเป็นลูกและเลิกจากความนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันเมื่อบิดามารดาไม่มีสมบัติเหลือติดตัวพอจะได้ลอกต่อไปอีกแล้วหนึ่งบุตรคือลากพ่อแม่เข้าไปห้องขัง หรือตารางด้วยเพราะความรักสงสารเวลาตนไปเข้าห้อง ข, องของังหรือติดคุกติดตารางเพราะความชั่วของตัวหนึ่งเหล่านี้เป็นจำพวกที่ทําลายล้างผ่านพ่อแม่ทั้งทางจิตใจและภกกระซั์เกียรติยศชื่อเสียงตลอดวงสกุลให้หย่อยยับอับแสงและเสียเรี่ยวเสียแรงที่อุสาหเลี้ยงดูและเสียทรัพย์สมบัติที่ตะกิยกตะกายหามาพ่อกพูนเลีเ้ยงดูปเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยและยังทําให้บิดามารดาขาดทุนสูญทรัพย์อับปรี ไปร้อยแปดไม่มีชินดีไม่ควรถือเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปจะกลายเป็นโรคเรือ้อรังระบาดและเพชฌฆาตสังหารวงศ์สกุลและประเทศชาติกลายเป็นประเภทเนรคุณไม่มีบุญบาปติดสันดานมนุษย์สืบโรคอีกต่อไปอวัง